อาจารย์ครับกล่าวนื้สักการครับผมอ่าอจารย์ทอคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านตอนนี้เวลาเท่าไหร่ของคุณหมอตอนนี้ไปสามครับอาจารย์ครับไปสามห้าชอยู่ทีโรปใช่ครับอาจารย์ครับตอนนี้อยู่ออสเตรเลียคิดว่าออสเตรเลียลอนดอนยุโรออสเตรเลียครับอาจารย์เพิ่งดินมาถึงเมื่อเช้าตอนเจ็ดโมงนเองครับอาจารย์ครับอากาศก็คงจะสบายและในแม่หนาว ประมาณเมื่อเช้าครื่องลงมาหนึ่งสององศาครับอาจารย์ก็ออยังหนาวอยู่นะยังหนาวอยู่ครับอาจารย์ครับแต่ก็แต่ก็ชอบครับเพราะว่าเมืองไทยร้อนครับมาเปลี่ยนที่ก็ดีครับพอดีว่าลูกปิดเทอมพร้อมกันครับอาจารย์ก็เลยขออนุญาตพาวลูกมาหาประสบการณ์ครับอาจารย์ครับเดีมาตอบพบต่อบชาติมันยาวมากเลยก็ อาจารย์เมื่อเช้าคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับผมก็ประมาณสามร้อยห้าสิบกว่าห้าสิบสามสรับครับอาจารย์ครับก็วันนี้เป็นวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยครับอาจารย์ตั้งหัวข้อเรื่องโชคดีที่เป็นมะเร็งผมมีคนมาฟังตอนนี้หกร้อยกว่าคนครับอาจารย์เหตุผลที่ที่ตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าวันนั้นเห็นคลิปที่พระอาจารย์ได้คุยกับลูกศิษย์นะครับแล้วก็ดูแล้ว แต่ละคนก็ดูแบบไม่ได้เห็นมีความทุกข์ความเศร้าอะไรกันเลยครับอาจารย์เพราะนั้นเขาเป็นชมรมผู้ป่วยโรงมะเร็งขั้นสุดท้ายอ oh. เ, เขาได้เข้าหาธรรมะ ก, กันเป็นประจำ <Yeah. S 2> เขาก็เลยพอที่จะมีเครื่องมือที่จะใช้รับกับเหตุการณ์คือความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแล้วก็พูดให้กำลังใจเขาว่าถ้ามองทางธรรมแล้วเนี่ย การที่เราได้พอกล่โลกภายในมันเป็นเหมือนกับเราได้รับสารจากเทวทูตเนะี่ยเทวทูตคือถ้ามันเราเราได้ยินได้ฟังเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเนี่มันจะไม่ค่อยประทับใจเพราะว่ามันยังกายตัวเราอยู่แต่พอมันมาถึงตัวเราแล้ ว, ลวทีนี้เราก็เหมือนไฟลนก้นแล้ ว, ลวเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องทอําำ้ะยางไดอย่างหนึ่งเพื่อ เพื่แก้ปัญหาปัญหามันก็มีอยู่สองส่วนปัญหาทางกายกับปัญหาทางใจปัญหาทางร่างกายหมอเขาก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้แนละ้วก็เลยปัญหาส่วนเดียวก็คือปัญหาทางใจก็ต้องมาดี้แก้ปัญหาทางใจโดยใช้ธรรมะอรสเองธรรมโอรสถ้าเรามีธรรมโอรสเรารู้จักใช้สติรู้จักใช้ปัญญา เราก็จะสามารถที่จะข้ามความเจ็บไข้ได้ปวด่วยความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไปได้แล้วก็ากายเป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้บรรลุธรรมขึ้นม า, าจะเป็นโซดากันอยากจะเป็นนก็ต้องเป็นต้องมาเจอข้อสอบกันก่อนต้องผ่านข้อสอบสองข้อความเจ็บกับความตายเยลงมาในขั้นสุดท้ายนี้มันก็มาทั้งสองข้ออ้อมเลยมาทั้งความเจ็บปว่วย แล้วก็มาทางความตายที่เลยไม่กี่เดือนครั้งหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวพุทธที่เคยได้ศึกษาธรรมะมาก่อน mm hmm. ก็จะรู้ว่าจะต้องทําอะไรก็คือจะต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นนะแล้วทําทแบบเมื่อก่อนไม่ได้คอยปัดมันไปนเรื่องไม่ว่าแบบจิตธุระบ้างอเพี๋ยนี้รู้แล้วว่ามันไม่มีธุระสําคัญเท่ากับธุระวิปัสสนาธุระ ที่ยังทำให้กกรใจเมื่อก่อนนี้เรายัางอ้างได้ว่ายังไม่เป็นอะไรยังยังมีภาระยังต้องทำโน่นทำนี่อยู่พอถึงเวลาที่มันปัญหามันมาประชันชิดตัวเราแล้วทีนี้มันไม่มีข้อนะอ้างแล้วก็มีทางเดียวก็คือต้องสู้สู้ในธรรมอย่างญาติโยมที่ไปศึกษากับหลุ่มตามหาบัว ตอนที่เธอได้รับการวิชัยจากแพรยแล้วก็เป็นมาเร็งขั้นสุดท้ายเหมือนกันท่ายก็บอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน6กเดือนเธอก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปขึ่งทางธรรมนะเพราะทางทางร่างกายทางหมอนี่ขึ้นไม่ได้ร่างกายมันยังไงเขต้องต้องตายเธอก็เลยตัดสินใจไปขออยู่ปฏิบททัติธรรมที่วัดป่าบ้านตา ้ก็อยู่ปฏิบัติอยู่เปหลายเดือนด้วยกันแล้วก็หลวงตาก็เมตตาไปเทศอบรมสอนวิธีปฏิบัติทุกคืนรู้สึกเก้าสิบเก้าสิบคืนวเก้าสิบครั้งด้วยกันยกเว้นไปเฉพาะวันที่ต้องอบรมพระหรือมีธุระที่จะต้องไปข้างนอกนะเคยไปอยู่นั่นประมาณสี่เดือนมัหลวงตาเทศประมาณเก้าสิบแล้วก็มีการมารวบรวมคําเทศนี้อยู่ใน หนังสือธรรมะชุดเตรียมพร้อมชุดเตรียมพร้อมถ้าใครอยากจะรู้ว่านลงตาสอนคนที่เป็นโรคมะเรนี่สอนอยังไงก็ลองไปเปิดฟังดูไปเปิดดูนะไปที่เว็บไซต์ของนลงตามาหาบวก็ได้ไปที่หนังสือหรือเทศชุดเตรียมพร้อมธรรมะชุดเตรียมพร้อมก็เป็นธรรมะที่ค่อนข้างจะเผ็ดร้อนท่นบอก เพราะว่าท่านเน้นไปทางด้านวิธีการต่อสู้กับความเจ็บความตายสําหรับคนทั่วไปก็อาจจะฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันมันเกินไปหรือเปล่ามันเบ้อไปหรือเปล่าแต่สําหรับคนที่จะต้องเจอกับความเจ็บเจอความตายนี่มันเป็นของที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเชื่อว่าเธอหลังจากที่กลับไปแล้วเธอก็คงจะสามารถประครับประคองใจของเธอ ให้แม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยนะกับความตายที่จะรออยู่ข้างหน้าได้แต่ก็ไม่ได้ไ ม, ไม่ได้ยินไม่ได้ทราบว่าจิตใจของเธอเป็นยังไงอาจจะมีการพูดถึงแต่เราไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ติดตามเลยไม่ทราบเป็นครั้งแรกที่หลวงตาบอกที่เคยเทศติดต่อกันเกี่ยวกับทุกคืนนะ สงสารเห็นเขามาพึ่งท่านเขาไม่มีที่พึ่งแล้วทางํางยานี้ทางร่างกายนี้หมอก็าบอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยต้องมาพึ่งทางใจวันีเธอก็ศึกษาธรรมะมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแลวก็ความมีพื้นฐานของการปฏิบัติอยู่แต่เธอรู้ว่าเธอจะต้องมาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังอยากเต็มที่ ฝึกสติต้องเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้ได้ก็เหมือนกับพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมาปฏิบัติในช่วงปลายของชีวิตแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้เจ็ดวันก่อนสเสด็จสวระคตนเนี่ยคนเราถ้าไม่มีเทวทูตมาเตือนมันจะพยายามทำลืงไม่ไ ม, ไม่ไม่พยายามให้ความสำคัญกับ สิ่งที่เทวทุตจะมามามเตือนเราพระพุทธเจ้าเนี่พอเห็น Table เทวทูตสี่ต้องออกบวชเลยต้องไปหาธรรมะนะอยู่ในวังนี้ตายเ น, นี่ยทุกเ น, น่ยนะไม่มีวันที่จะลดพุนจากความทุกข์ได้เพราะไม่มีใครสอนวิธีที่จะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้จึงต้องไปหานักบวชนะนักบวชที่เขา ศึกษาวิธีที่ต่อสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ครับเจ็บความตายในที่สุดองก็ได้พบกับสัจธรรมพบกับอริยสัจพบกับทางมักแปดทางที่จะทำให้ ใ, นใจนั้นได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ดังนั้นถ้าเราไม่มีเหตุการณ์ที่มาประชันตัวเรานี่เรามักจะ ไม่เห็นภัยไม่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงร้ายกายขนาดนั้นต้องเจอของจริงถึงจรู้ว่าเวลามันเจ็บปวดทรมานตามหน้ากายนี้มันเป็นอย่างไรแล้วทางจิตใจทุกทรมานอย่างไรแล้วถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนนี่จะไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจได้เลยถ้ารู้จักวิธีกำจัดถ้าสามารถกำจัดความทุกข์ทางใจได้ ความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาเพราะมันเป็นมันเป็นส่วนย่อยถ้าพูดถึงกําลังของความทุกข์กำลังความทุกข์ของใจนี่มันเกือบสิบเท่าของความกําลังของความทุกข์ทางร่างกายถ้าเราสามารถกําจัดความทุกข์ทางใจได้สิบเท่าเหลือเพียงเท่าเดียวทางร่างกายมันมันสบายเหลือเลย มันไม่มันไม่มันใจจะไม่ถูกไม่เดือดร้อนเราความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายอย่างนั้นการที่เราได้เจอธรรมทูตเนี่ยมันมันก็จะเป็นเรื่องที่จะทําให้เราจะต้องรีบเข้าหาที่พึ่งแล้วเข้าหายาเข้าหาธรรมโอษน์อย่าอยู่เฉยๆแบบเมื่อเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วก็วเหมือนไปไว้บ้านแล้วทีนี้ ต้งรีบไปหาไฟมาดับเพลิงนะอทําทเป็นป้อนทำเป็นผัดมันประรกันพรุ่งนี้ไม่ได้นะข้อสอบมาถึงถึงมือเราแล้วนะถ้าไม่รีบทำข้อสอบตกครับแล้ววันนั้นพระอาจารย์บอกโชคดีเลยนะครับแล้วแล้วทุกคนก็ดูดูเหมือนกับในบรรยากาศการสนทนานั้นก็ดูแจ่มใสกันดีเลยนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าอาาย่างเขาไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้เจอรโรคภนันี้เขาก็ยังยอดไปเที่ยวไปกินไปเดินไปเล่นอย่างคุณหมออยู่ตอนเนี้ถ้าคุณคุณหมอลองย้อนกลับมาที่ตัวคุณหมอถ้าเกิดตอนนี้คุณหมอไปเจออะไรท้าสุดท้ายคุณหมออยากจะมาพาลูกมาเที่ยวอนี้ได้หรือเปล่าก็คงเล่งเล่งปฏิบัติแล้วเขาบา้าง <c oughs> ใช่ไหมแล้วโชคดีที่เขามีชมรมมีมีธรรมะมีครูบาอาจารย์หลายที่ที่เขาสามารถไปศึกษา ไปเรียนรู้วิธีต่อสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บความตายนีได้เขาก็จะอาจจะมีโอกาสได้หลุดพ้นได้บรรลุธรรมก่อนที่เขาจะตายก็ได้อย่างที่พระราชธิดาของพระพชทธเจ้ามีพระพทธเจ้าเป็นโคช้ชคอยสอนอยู่ตลอดเวลาใกล้ชิดเนี่ยคนผู้หญิงที่ไปปฏิบัติที่วัดหลวงตาก็มีหลวงตาเป็นโคช้ชเนี่ยคอยกระซิบไปสอนทุกคืนเลย ผมเคยได้ฟังจนครบเลยครับพอาจารย์ชุดนั้นนะครับรู้สึก 90% การเทพด้วยกันครับผมวันนี้มีคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ญัดิญาตคนที่เป็นมะเร็งมาฟังเต็มเลยครับอาจารย์แล้วก็เมื่อกี้ก็แชร์มาว่ารู้แล้วว่าเป็นมะเร็งครับอมันจะได้ทําให้เราต้องเข้าหาที่พึ่งจริงๆแล้วเข้าหาอย่างเข้าาธรรมโสุด เมื่อเรารู้แล้วว่าทางร่างกายเราทำอะไรไม่ได้นะแต่เราจะต้องหาวิธีดับความทรมานใจให้ได้ความทุกข์ทรมานใจเพราะตอนนี้คนที่ไม่มีธรรมะจะทุกข์มากเพราะไม่รู้จะไปพึ่องอะไรไม่รู้จะไปหาอะไรมาทําให้ใจสงบได้นอกจากการปฏิบัติภาวนาสมถะภาวนาและ ว, วิปัสสนาภาวนา มีคำถามที่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องมานะครับบอกอยากทราบว่าถ้าเราเป็นโรคควรคิดอย่างไรให้ไม่ถูกครับก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นเป็นธรรมดาของร่างกายที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวเราคอยเตือนใจเราทุกวันทุกเวลาว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมีความตายเป็นธรรมดาแล้วก็ให้เราวิเคราะห์ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกายเราผู้ที่เราผู้ที่ดูแลร่างกายล้วเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้เป็นผู้ใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆตอบสนองความอยากความต้องการของเราแต่เรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นคนใช้เราเราเป็นเจ้านายใจเป็นนายกายเป็นบา่าว ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ที่ใจไปเดือดร้อนเพราะใจไปดนเคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นลายใจก็จะเดือดร้อนเราก็ต้องใช้ธรรมะใช้ปัญญาของพระเจ้ามาสอนใจให้แยกของว่าใจไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายแล้วเรื่องของร่างกายมันก็เป็นเรื่องที่ท่ามไม่ได้เกิดแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เราต้องสอนใจแบบนี้แล้วท่านใจยังถ้าใจยังรับไม่ได้ก็แสดงว่าใจไม่สมบพอยังมีกิเลสต่อต้านอยู่ยังมีความอยากที่จ ะ, ะให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่เจ็บไข้ไม่ตายอยู่เราก็จะต้องใช้สมาธิฝึกสมาธิฝึกสตินั่งทำํำสมาธิทําใจให้สงบให้ได้พวา ใ, ใจสงบแล้วกิเลส ด้วยความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะไม่สามารถทำงานได้เราจะรู้สึกว่าใจเรานย่นสบายเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้แล้วถ้าเราออกจากสมาธิมาถ้าเกิดความอยากแล้วก็ใช้ปัญญาสอนต่ออีกทีว่าร่างกายนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนีไม่พ้นไม่มีใคร ยับยั้งมันได้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับมันได้เพราะสาเหตุที่เราทุกข์กับมันเพราะเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองพอเราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อ คุณสุรีครับเกี่ยวกับการประกอบสัมมาอาชีวะครับบอกว่าถ้าขายข้าวเกียบปลาทูข้าวเกียบกุ้งที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมจะเป็นการส่งเสริมการฆ่าสัตว์และบาปไหมครับคือถ้าเราไม่ได้เป็นผู้สั่งฆ่าถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ฆ่าแล้วก็ไม่บาปส่วนเนื่องกาส่งเสริมมนไม่ใช่ก็มันก็ไม่แน่หรอกบางทีเราไม่ไปซื้อเขาเข้าก็ข่าวเข้าอยู่ดีเราก็ต้องทํามาหากินของเขาเราะว่า ก็เรามีคนอื่นที่ไปส่งเสริมเขาเราไม่ส่งเสริมเขาก็มีคนหนึ่งส่งเสริมเขาเพราะนั้นเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเราเกินไปมันไม่มันไม่เป็นเรื่องของของการกระ ท, ทําบาปเพราะว่าไม่มีใครไปบังคับให้เขาา่นอ เ, เขาข่าเขาข้าเขาต้องการจะทําเป็นอาชีพซึ่งเขาก็มีอาชีพเหมือนที่เขาทาได้แต่เขาไม่ทําเพราะเขาอยากจะทําอาชีพนี้เพราะฉะนั้นมันก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่อง ที่ขอเราจะต้องไปกังวลไม่ว่าถ้าเรากังวลจริงๆก็อย่าไปทําอาชีพนี้ก็แล้วกันอย่าไปทําอาชีพที่เกี่ยวกั บ, ก, บกับสัตว์เช่นปลาทูกุ้งหรืออะไรต่างๆเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วกินเจไปก็แล้วกันขายของเจขายผักขายอะไรไปถ้าทําให้คุณสบายใจแต่ถ้าพูดทำตามหลักทำมันไม่บาปถ้าคุณไม่ได้ฆ่าเองหรือไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าให้กับคุณนี่ไม่ไม่บาป ไม่มีผลแต่ย่างไดคุณจะคุณจะไปกินเจก็มันก็มีผลเท่ากันมันก็ไม่บาปเหมือนกันคนไม่คนคุณกินเนื้อสัตว์แต่เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วโดยที่ไม่ได้เป็นคนคุณไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาเนื้อสัตวให้เขาฆานี่คุณก็ไม่บาป อ, อย่างนี้ยังทางทางทางศาสนาเรานี่เราเราสนใจเรื่องบาปหรือไม่บาปเรื่องสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนี่มันเป็นเรื่องที่ มันพูดมันเป็นลูกโซ่เอาอยู่ในโลกนี้การมาประกอยของเราอยู่ในโลกนี้ก็เป็นการสนับสนุนกันอยู่แล้วเราทําอะไรอย่างหนึ่งเราก็ต้องไปสนับสนุนคนให้เขาทาอะไรอย่างหนึ่งอย่างไดเช่นเราเราไปซื้อของซื้อผักแล้วก็สนับสนุนให้คนขายผักเขามีมีไรายได้แล้วคนขายผักเขาอาจจะชอบกินเนื้อสัตว์จะทำยังไง <c oughs> เขาก็ไปซื้อเนื้อสัตว์มากิน <c oughs> ก็แสดงว่าเราไปสนับสนุนให้คนนี้ คนนี้ไซื้อเอาเงินเรานี่ไปซื้อเนื้อสัตว์มากินแล้วก็สนับสนุนให้เข้าไปสนับสนุนให้คนไปฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อสัตว์มาให้เขากินอีกมันวนกันอยู่นั้นแหะตั้งอยู่ในโลกที่แล้วมันเกี่ยวพันกันไปหมดถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ววิธีแก้ปัญหาที่อย่างที่แบบเสร็จก็ต้องคืออย่ามาเกิดก็แล้วกั <c oughs> นถ่าคุณไม่มาเกิดแล้วคุณก็จะไม่สนับสนุนอะไรกับใครต่อไป แต่ตามรายได้คนกลับมาเกิดนี่คนต้องใช้ใจ่ายต้องซื้อข้าซื้อของคุณก็ต้องไปสนับสนุนคนที่เขาขายข้าของที่คุณไปซื้อแล้วคุณจะนึกแล้วคนที่เขาซื้อที่เขาขายของให้กับคุณที่คุณให้เงินเขาไปเขาจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างเขาอาจจะเอาไปค่าสัตว์เอาไปเล่นการพนันเอาไปประพฤติผิดประเพณีก็ได้ไปเที่ยวตามบาตามซ่องก็ได้คุณจะไปห้ามคนได้หรือเปล่าใช่ไหม อยากคิดบันไกลมินไปองนั้นคุณทําอะไรไม่ได้หรอกนะเอาเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่มันถูกหรือผิดเท่านั้นบาปหรือไม่บาปวะฮตามหลักของกฎแห่งกรรมนี้ถ้าคุณไม่ทําเองไม่สั่งให้คนอื่นก็ฆ่านี่ยคุณไม่บาปท่นนี้แต่เนื้อสัตว์ที่เขาฆ่ามาแล้วถ้าก็ามาขายที่ตลาดคุณซื้อมากินก็ไม่บาปอยู่ดีเพราะคุณไม่มีส่วนกับการฆ่าของสัตว์ตัวนั้นตัวนั้นมันตายไปแล้ว แต่ถ้าคุณไปสั่งเอาล่วงหน้าก่อนเนี่ยคุณมีสิทธิ์มีบาตรแนะแน่ให้ไปสั่งว่าพรุ่งนี้จะขอไก่สองตัวเนี่ยนะเป็นการไปบอกเขาละไปสั่งเพราะว่าคุณต้องการไก่สองตัว <jó. S 1> แต่ถ้าเขาฆ่าแล้วก็มาวางขายที่ตลาดโดยที่คุณไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าของเขาถ้าคุณอยากจะซื้อก็ซื้อได้ไม่อยากจะซื้อก็ไม่ต้องซื้อมันก็ไม่บาตทั้งสองเอี่ยซื้อก็ไม่บาตไม่ซื้อก็ไม่บาต คุณกิติวัตรครับหากเรามีภาพรวมในการเกิดสิ่งต่างๆในบางเรื่องจนสามารถคาดการเหตุการณ์ระหว่างทางไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายของเหตุนั้นจนบางทีรู้สึกเราไม่อยากทำสิ่งนั้นแต่ก็ยังคงต้องทาเพราะเป็นสิ่งจาเป็นอยากทราบว่าเราควรจะจัดการกับความคิดการปฏิบัติของเราอย่างไรดีครับเราคิดไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ครบไม่ครบเรื่องถ้าจะคิดถึงอนาคต ก, ก็ต้องคิดถึงคามแก่คามเจ็บความตายถึงก็ถือว่า คิดคิดตรงประเด็นเรื่องอื่ไม่สําคัญอ่ะเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นเหตุการณ์ที่จิฟต์จอยเมื่อเปรียบเทียบถึงเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณก็คือความแก่ความเจ็บความตายเพราะเจ้าทรงสอนให้เราคิดแต่เรื่องนี้ก็พอเรื่อ ง, งองื่นเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องจิฟต์จอยเพิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายแล้วอย่างถ้าคุณอยากจะคิดเรื่องอ น, นาคตก็ให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย แล้วคุณจะได้คิดทาทางแก้ไขปัญหานั้นจะดีกว่าที่กจะมาแก้ไขปัญหาเรื่อ ง, งมันไม่ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นสาคัญที่ไม่ได้มาทําให้เกิดความทุกข์ให้กับใจเท่ากับความแก่ความเจ็บความตายคุณมาริษาครับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายขอมอร์ฟีนและยาที่ทาให้หลับไปเลยนี่บาปไหมครับก็หลับ ห ล, ลับแล้วตายก็ยืป่าถ้าเขากินยาเพิ่มฆ่าตัวตายก็บาปอย่างนีแต่ถ้าเขากินเพื่อลังงับระ ง, งับอาการปวดมันก็ไม่บาปเพราะเรากินยาแก้ปวดกันอยู่เรื่อยใช่ไม้มครับเรากินยาพาราเซตามอลกันอยู่เรื่อยๆพอเราปวดทีไรเราก็กินยาแก้ปวดเราเป็นมะเร็งแล้วก็กินยาแก้ปวดแต่เขายาไปกินเพื่อให้มันตายแล้วกินเพื่อระ ง, งับความเจ็บปวดมันมีปริมาณให้หมอรู้อยู่ใช่ไหมว่า กินได้เท่าไหร่ไม่กินไม่ได้เท่าไหร่้ากินก็กินเป็นยารักษามันได้อยู่ถ้ากินเป็นยารักษาได้ถ้ากินเพื่อฆ่าร่างกายนี่ก็บบาครัมันมีขนาดของมันอยู่ครับอาจารย์ครับ อ, อไม่ว่าอะไรก็นั่นพาราถ้ากินไปสักขวดหนมันก็ตายได้เหมือนกันใ ช, ใช่ไหม <laughs> คนที่คิดจะกล้าตัวตาย <laughs> ยาอะไรมักินให้มันกินตั้งขวดเข้าไป <laughs> คุณนัทธริกาครับบอกว่าเป็นมะเร็งปอดที่แม่เจอคือระยระสี่เม็ดแล้วก็กระจายไปที่สมองและกระดูกตอนนี้คุณแม่จิตใจดีขึ้นด้วยธรรมะและทําให้ได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์หากไม่เจอมะเร็งคงไม่รู้จักธรรมะและรู้จักการเตรียมตัวตายครับถูกต้องอันี้แหละท่านหึงบอกว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดนะพ อ, อทุกบ่มีแล้วมันต้องวิ่งหาปัญญากันแล้วแหละเพราะปัญญาเท่านั้นอนะ่ะที่จะระงับควาทุกข์ใจได้นอกนั้นแล้วมันไม่เหยืออะไรมัน ดังนับได้ปัญญาด้วยการสนับสนุนของสมาธิด้วยถ้าเป็นปัญญาแบบสุตตะมยาปัญญาหรือจินตามายาปัญญานี้ยังจะไม่สามารถดังับได้เราเป็นภาวนามยาปัญญาปัญญาที่มีอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขาสนับสนุนนะจะกจําจัดความทุกข์ต่างๆได้อย่างราบ้ามเลย คุณกรนสิริครับบอกว่ารักษามะเร็งเต้านมจนครบหนึ่งปีวันที่สิบเก้านี้มะเร็งทำให้ได้เริ่มปฏิบัติธรรมจริงจังค่ะตอนรักษาช่วยได้มากเลยเมื่อก่อนเคยคิดว่าปฏิบัติธรรมไว้ตอนแก่แต่พอป่วยก็ระลึกว่าเราอาจไม่ได้แก่ครับใช่ถ้ามองทางธรรมแล้วก็ถึงว่ามันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าไม่มีวิกฤตเราก็จะไม่มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมอย่างจรงิงจัง แต่พอเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับการรักษาใจของเราแนละ้วเพราะอะไรต่างๆเนี่เราก็ต้องทิ้งหมดแล้วเวลาเราตายไปเราก็เลยตัดภา ร, ระเรื่องราวต่างๆไปได้หมดเลยเดี๋เรื่องเดียวก็คือรักษาใจเราเท่านั้น คุณมริสาบอกว่าการเป็นมะเร็งไม่น่ากลัวเท่ากับอุบัติเหตุเพราะเรายังมีเวลาพอที่จะเจริญสติสมาธิปัญญาและภาวนาขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําเพิ่มเติมค่ะครับก็ต้องรีบทำเทปนี้เพราะเราไม่รู้อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อจาจจะเกิดขึ้นคืนนี้ก็ได้เดินไปลื่นหกล้มศีรษะมลาดพื้นตายไปก็ได้รม่ต้องให้ดูว่าความตาจากอุบัติเหตุไั้มักิดขึ้นได้ทุกเวลา เพรฉะนั้นเราไม่ควรประมาทเราเรีบเราเร่งทากิจที่เราต้องกระทํำใช่แต่ตอนนี้คือปฏิบัติธรรมเพื่อทําให้ใจนี้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคุณวันเพ็ญครับลูกเห็นความไม่เที่ยงเวลาป่วยกายควบคุมไม่ได้รักษาจิตภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนิพพานังสุ ข, ขังฝังไว้ในดวงจิตรู้สึกว่าร่างกายก็ผ่อนคลายกับพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเจ้าค่ะก็นอกจาก ใช้สมาธิคือพุโทโธแล้วก็ต้องสอนให้เราปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นสิ่งที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาด้วยธาตุสีก่กะดินน้ำลมไฟเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายโดยใช้กระแสของวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายมาเกาะที่ตาหูจมบกลิ้นกายเราก็สั่งการให้ร่างกายไปหารูปเสียงกินลดมาให้เราเส่เวลาที่ร่างกายตายเราก็เพียงแต่ถอน ถอนวิญญาณที่ไปกา่านที่ตาขูจมมวิ่งกายออกจากร่างกายไปเท่านั้นเองเราไม่ได้ตายเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดว่าเราจะเป็นอะไรไปกับร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีวันตายแต่จะจะทุกข์ถ้าเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย คุณกัลสิรัตครับบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งค่ะเมื่อปีสี่หกเป็นมะเร็งปากมดลูกผ่าตัดหายไปปีหกสี่เจอมะเร็งปอดลามไปสู่สมองหมอบอกว่าอยู่ได้หกเดือนเลือกรักษาด้วยยามุ่งเป้าและสวดปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนพระอาจารย์จิตใจสงบอยู่ได้มาตลอดค่ะนั่นแนหะทุกคนจะต้องใช้อาศัยความสงบเท่านั้นแนะหะเมื่อถึงเจอเจอโรคภายคข้เจ็บครั้งสุดท้ายของชีวิตเราไม่มีอะไรที่จะรักษาจ่ายได้ นอกจากการทําใจให้สง บ, บนี้เท่านั้นวันนี้มีแต่คนแชร์ <c oughs> ประสบการณ์ใช่ประสก็ตณ์ก็ดีเมืองไทยเราโชคดีที่เรายังมีพระพุทธศาสนาเนี่ยคนไทยเยอะที่ได้เพิ่มจกักได้ที่เพิ่มจากพระพุทธศาสนาประเทศทางตะวันตกนี่เขาไม่มีศาสนาเป็นที่เพิ่มเวลาเขาตายเวลาเขาเก็บไข้แล้ว มีแต่ก็ไม่ได้เป็นที่เพิ่งที่แท้จริงไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้ครับอาจารย์คงขอการอ่านของคนที่แชร์นิดนึงนะครับอาจารย์จะได้ฟั ง, งคุณมีสู้บอกคุณพ่อตรวจเจอมะเร็งระยะสี่วันอังคารที่สิบเอ็ดนี้คุณหมอนัดฟังผลชิน้เนื้อและบอกวิธีรักษาลูกก็กำลังหาวิธีให้กำลังใจท่านขอบพระคุณอาจารย์้วยครับ คุณแคทบอกเพราะข้อนี้อาจะมีคนดูเยอะก็ได้นะเพราะว่าคนเป็นส่วนใหญ่คนก็เป็นมะเร็งตายอะครับอาจารย์ครับคุณคุติที่สูงมากเลยครับคุณแคทบอกว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่สาวๆ16ปีแล้วค่ะที่เต้านมอายุ45จริงดังที่ว่าเห็นทุกแล้วเห็นธรรมเพราะตอนที่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งสิ่งที่ยึดเป็นที่พึ่งคือความศรัทธาในพระพุทธเจ้าค่ะ ตั้งใจสดมนไหว้พระระลึกถึงเหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันทําให้ผ่านพ้นความทุกข์ตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้อยู่ในบุญตลอดและศึกษาธรรมะทาให้เข้าใจชีวิตความอยากมีอยากได้ก็ลดลงไม่ปล่อยเวลาที่เหลืออยู่ให้เสียปล่ามันปฏิบัติธรรมทําบุญทําทานมาตลอดครับวันนี้คําถามไม่ค่อยมีเลยครับอาจารย์มีแต่คนแชร์ก็อ่ า, อานไปเรื่อยๆก็ได้ท่ า, าุญหมอใาดก็อ่านไปนเรื่อยคุณอ้อบอกว่า ดูกายตัวเองแล้วพยายามบอกตัวเองว่ากายนี้ไม่ใช่เราเขาเป็นไปตามธรรมชาติแต่ไม่ได้ค่ะใจไม่เชื่อบอกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลยังเศร้าใจอยู่เลยบอกเป็นโรคก็เศร้าไปนี่แหละขอพระเอาว่าขอให้หายภูมิธรรมยังไม่พอที่จะตายยังรอดมาจนวันนี้กักษาแบบหมอสั่งครับก็ต้องยอมแล้วมันหายได้ก็ดีไม่หายได้ก็ดีเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ให้หายเวอาจจะหายก็ได้แต่ การหายก็ไม่ได้มาเขาว่ามันจะไม่เป็นอีกมันหายเพื่อมันจะเป็นอีกอยู่ดีเพราะร่างกายนี้มันยังไงก็ดีไม่พ้นความเจ็บไข้แล้ปวหยหายโรควันนี้เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่มันจะต้องมันจะต้องเจอโรคที่จะทำให้เราตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นการไปหวังที่จะให้มันหายทางร่างกายนี้มันก็จะต้องผิดหวังไม่ช้าก็เร็วจะต้องผิดหวังแต่ถ้าเราไม่ไปหวังมันเราจะสบายใจ อาจจะหายก็หายไม่หายก็อยอมตายให้คิดอย่างนี้จะดีกว่าและใจาจะสบายในคลิปนนะประณั้นอาจารย์บอกว่าเอาพอทําใจยอมรับมันแล้วสบายใจบางทีมะเร็งก็หายไปก็ก็เคยมีใช่ไหมครับก็เคยมีก็มีพระที่อยู่ที่วัดป่าลันตัดท่านก็เป็นมะเร็งในตับหรือ ใ, ในท้องเนี่ยแล้วว่าก็สิ้นไปที่โรงพยาบาลหมอก็ผ่าท้องออกมาดูแล้วบอกโอ๊อะไรไม่ได้นะเพราะมันแพร่กระจายไปแล้ว เขาก็บอกให้ท่านกลับไปไปเตรียมตัวตายที่วันครับ<ะ>ท่านก็กลับมาแล้วท่านก็กรักษาด้วยยาสมุนไพรแล้วก็ใช้การภาวนารักษาใจไป<ะ>บางช่วงที่มันเกิดความเจ็บปวยมากๆท่านก็ไปไปในเมืองไปฉีดยาไปไปหาหมอช่วฉีดยาแก้ป่วดให้ครับ<ะ>แล้วท่านก็กลับมาพาวารักษาด้วยยาสมุนไพรสองปีหายเลยอ้โหหายกลับมาเป็นปกติเลย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันไม่แน่นอนเนี่ยเพราะท่านตัวเองท่าก็ยังเป็นคนหนุ่มอยู่อายุไม่มากนถ้าคนมีอายุน้อยอยู่เนีโอกาสที่จะรักษาหาจากมะเร็งมันมีมากกว่ า, าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจ็บไายได้ป่วยหรือจะตายมันก็ต้องตายต่อไปอยู่ในชาติเรือ่อยๆ คุณลักกี้ครับบอกว่าทําสมาธิรู้สึกเจ็บเป็นหย่อมๆเพื่อนบอกว่าจิตกําลังแยกเราว่าไม่ใช่มันติดตรงขาสงสัยยังติดแฟนอยู่ครับคือนั่งสมาธิมันก็อาจจะเป็นเจ็บได้ตามร่างกายแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือไม่ต้องไปสนใจนะให้เราอยู่กับลมหายใจและอยู่กับพุโทโธไปแล้วความเจ็บจะไม่มาลบปวดใจเราแล้วถ้าใจเราสงบ เราก็จะไม่รู <S <S ้สึกเหนื่อยน้อยกับความเจ็บของร่างกายต่อไปดังนั้นอย่าไปสนใจกับความเจ็บอย่าเลิกอย่าเลิกอย่าเลิกทำสมาธิพยายามทำสมาธิไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆการจะแกกิจออกออกจากร่างกายด้วยสมาธินี้เราใช้สติต้องให้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไปอย่าไปสนใจกับอาการของร่างกาย อย่าไปสานอย่าไปคิดเองว่าเรากับเพื่านกายเป็นคนละคนอันนี้มันมันสั่ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้การจดจ่อให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวก็วอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตจะรวมและจะแยกออกจากร่าง ก, า ย, กายของมันเอง ค, คุณวุฒิชัยครับผมพยายามประคองตัวเองไปให้ถึงวันบวชใจคิดแต่อยากให้จบกิจก่อนแล้วค่อยตายในล่มกาสาวพักครับ ก็พยายามปฏิบัติแล้วก็ถ้าได้ด่วนแล้วก็พยายามปฏิบัติให้อย่างเต็มที่จะตายเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครรู้ได้แต่ขอให้เราตายแบบนักลบ ก, ก็บบกลอย่างที่หลวงตาบอกอย่าเป็นนักลบเป็นนักรบให้ตายตายในสนามตายด้วยการภาวนา คุณสุพิญญาบอกคุณแม่เป็นมะเร็งพี่ชายเป็นมะเร็งพอทราบว่อยู่ได้ไม่เกินสองเดือนจากวันที่รู้ผลสุดเร็วมากแล้วจากไปเลยแทบไม่ได้ทันได้รักษาอะไรเลยแบบนี้เป็นกรรมอย่างหนึ่งไหมคะเพราะไม่มีอาการบ่งชี้อะไรก่อนเลยค่ะไม่ทราบมันก็เป็นอะไรมันอาจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของโรคที่มันอาจจะไปเร็วไปช้าเรืองอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจด้วยบางทีการจิตใจถ้าจิตใจมันหมดกําลังใจที่จะอยู่มันก็ทำให้ตายได้ คุณมดิสาบอกว่าเคยอ่านเรื่องราวพระพิสุรูปหนึ่งท่านอาพาธเป็นมะเรง็งระยะสุดท้ายท่ธธานไม่ยอมไปหาหมอท่านบอกว่าเหมือนกาฝากที่มาเกาะ ก, กับสังขารยอมมรณภาพกับมะเรง็งแสดงว่าท่านแยกกายกับจิตออกได้ใช่ไหมเจ้าคาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ท่านเป็นสันติโกนะไม่ได้คุยกับท่านก็เลยไม่สามารถจะตอบได้ว่าท่านแยกกายกับจิตได้หรือเปล่าหรือว่าท่านเชื่อว่า กายกระจิตเป็นค น, นคนกันแล้วใช้ก็ยอมปล่อยให้ร่างกายตายไปก็ได้คุณหลินครับตอนแรกหนูลดความผ่าท้องและกระดูกหักสามท่อนกันก้นกบแตกหนูนึกว่าจะจบยังไปยึดรูปลดกลิ่นเสียงจนมาปัจจุบันผ่าสมองเปิดกระโหลกไปสี่ครั้งและใช้อุปกรณ์อวัยวะหนูไม่ครบ3าสองปัจจุบันหนูได้ยาธรรมะโอสถจากพระอาจารย์สุชาติและความฝันหนูหายเจ้าค่ะ กเด็กถ้ามีธรรมะรักษาใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเป็นการตายของร่างกายคุณมาลทรีบอกว่าแถวบ้านมีคนป่วยเป็นมะเร็งเต้านมต้องคีมโมตลอดที่ที่สุดหมอบอกอีกหกเดือนคงต้องไปแล้วคนป่วยเลยมานั่งวิปัสนาคืนละสามชั่วโมงคิดว่าชีวิตนี้โปรงแล้วแล้วแต่จะเป็นไปตอนนี้ผ่านมาเจ็ดปีแล้วยังมีชีวิตอยู่ไม่เป็นไรเลยเจ้าค่ะ แล้วเขาจะอยู่อย่างสบายใจด้วยเพราะเขาจะไม่กลัวความตายแล้วถ้าเขาป่งได้แล้วเขาจะอยู่อย่างสบายทั้งด้านร่างกายและจิตใจคุณนิชาครับนัสการพระอาจารย์คุณแม่ไม่ชอบปฏิบัติธรรมแค่ทำบุญทำทานและชอบเล่นไพ่กับเพื่อนๆเสียดายแทนแม่มากๆค่ะเพราะแม่แก่แล้วครับก็เป็นเรื่องของแม่ไปเรื่องกของแม่แล้วั มีกรรมแต่บุญมีบุญแต่กรรมบางทําได้แค่ทาบุญทําทานไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับภาวานาได้ไม่ติดอาาะารมุกสะก่อนคุณบุศราครับกับเรียนถามครับโรคมะเร็งจัดเป็นโรค ก, กรรมไปค้าหมายถึงได้ทํากรรมประเภทใดจึงเป็นโรคนี้ครับเแม่เดี๋ยมันเป็นเรื่องของร่างกายที่จะต้องไปโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง นั่นจะทําให้มันตายได้ในกรณีโควิดคนตายเพราะโรคโควิดก็มีเยอะแยะเหมือนกันแต่มันเป็นโรค ช, ชนิดต่างๆนี้มันเป็นโรคที่บํามากับร่างกายที่ร่างกายจะต้องวันใดวันหนึ่งจะต้องตายไปจากโรคใดโรคหนึ่งงั้นมันไ ม, ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมหรือเป็นอะไรเป็นเรื่องของโรคของทางร่างกายส่วนทางใจก็คือมัาดีมีความอยากจะหาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี่ อันนี้เป็นกรรม ใ, ใจยังมีความอยากการมาทั น, นหาภว่ันหาวิภวะันหาเนี่ยเป็นตัวต่ำความอยากที่พาให้มามีร่างกายและพออยูร่างกายก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าอยากจะไม่เจอความแก่ความเจ็บของร่างกายก็ต้องตัดกรรมเืินหยุดความอยากทั้งสามนี้หยุดการมาทั น, นหาภวตั น, นหาวิภาวะทันหาด้วยการปฏิบัติทานสิงหภาวนาะ คุณวีนาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาวแล้วใครเป็นผู้สร้างกายนี้คะและใครเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณนี้เจ้าคะไม่มีมันเป็นธรรมชาติอย่างในในจักรวาลเนี่ยใครไปสร้างดวงดาวดวงอาทิตย์หรือเปล่ามันไม่มีคนสร้างมันย่งมันเป็นเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาแล้วธรรมชาติก็เป็นผู้ทําลายมันในที่สุดไม่มีใครสร้างมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ คุณกิติวัตรครับจิต ท, ที่ดีควรเป็นอย่างไรครับเป็นจิต ท, ที่สงบที่เย็นที่สบายจิต ท, ที่มีความเมตาตากรุณามุิตรารมเบกขาคุณสุธีรัตครับผมอยากบริจาคโลหิตเพราะอยากเชิญความกลัวเจ็บแต่ผมจะมีอาการเป็นลมหน้ามือทุกครั้งเวลาที่เลือดไหลออกจากร่างกายเช่นมีดบาดผมกลัวเวลาบริจาคโลหิตผมจะเป็นลมขณะกำลังบริจาคเลือด อยากทราบว่าผมไม่บริจาคเลือดเพื่อพิสูจน์ความกลัวเจ็บการกลัวเข็มฉีดยาได้ไหมครับหรือควรจะบริจาคเพื่อพิสูจน์ความกล้าผมอยากได้พระโสดาบันครับและอยากลองในสิ่งที่กลัวคือกลัวเจ็บครับอ๋อมันมีวิธีที่สามารถที่จ ะ, ะแก้ความกลัวเจ็บได้ก็คือนั่งสมาธิไปในท่าเดียวก็อยากไปขยับนั่งไปสักพักเดี๋ยวมันก็เกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันก็เหมือนกับถุกเข็มทิ่มแทง โดยที่ไม่ต้องไปเอาเขมาทิ่มมาแทนก็ได้ไม่ต้องไม่ถ้าอยากจะพิสูจน์ความกลัวความกลัวเจ็บว่าเราไม่กลัวแล้วก็นั่งนั่งสมาธิในท่าเดียวไปเนี่ยไม่อยากขยับร่างกายเวลาเจ็บก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดหยุดทําใจให้นิ่งทําหยุดใจหยุดความอยากให้อยากจะขยับหรืออยากจะให้ความเจ็บหายไปปล่อยให้ความเจ็บมันเป็นไปของมันมันเกิดขึ้นมาเองได้เดยมันก็ดับของมันเองได้ เพราะเจ็บมันก็เป็นอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนนาตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราสามารถปล่อยมันได้ให้มันเจ็บไปให้มันหายเองได้เราก็จะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปคุณอภิญญาครับขออนุญาตสอบถามเรื่องลูกสาวป่วยเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงที่สุดลุกลามไวที่สุดหมอให้กลับบ้านอยู่ได้ดิฉันดูแล ได้ปีขนาดนี้เสียชีวิตแล้วครับไม่พลาดจะสอบถามแล้วเพนจะเล่าให้ฟังคุ<อ>สเสียงเล่าให้ฟังมากกว่าคุณแพทถามว่ากายไม่ใช่เราแล้วใจใช่เราไหมครับใจก็ไม่ใช่เราใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดมากเพียงแต่ว่ามันไปคิดว่ามันเป็นเราฮะมันเป็นมันเป็ น, ปนตัวตนขึ้นมาก็เรียกว่าความหลง หวามหลงทำให้ใจไปคิดว่าใจเป็นตัวตนเป็นเราขึ้นมาแต่ความจริงใจเป็นเพียงผู้คิดแล้วก็ไปปลูกแต่งขึ้นมาว่าว่าใจว่าเป็นเรานั่นเองว่าเราเป็นใจเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้รู้แต่ความจริงมันเป็นธรรมชาติที่คิดธรรมชาติที่รู้เท่านี้นเองคุณใบบุญครับกราบสอบถามค่ะแม่ป่วยตัวเองดูแลอยู่ส่วนพี่ชายป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นพี่สาวดูแล แต่สั่งอะไรแกก็จะไม่ค่อยทําบางครั้งพี่สาวโมโหก็จะตีกระตุ้นแต่หนูและแม่เห็นก็ใจทุกใจแบบนี้พี่สาวจะมีกรรมหรือบาปหรือเปล่าครับต้อไปทำร้ายผู้อื่นมันก็เป็ น, ม, น, ปนมันก็เป็นบาปคารที่จะให้ความเมตตาคอยช่วยเขาช่วยทําให้เขาเป็นความสุขแต่ไปทําให้เขามีความทุกข์มันก็เป็นการสร้างเวรสท่างกับ คุณมาริสาบอกว่าโรคมะเร็งน่ากลัวมากแต่คิดว่าเป็นเรื่องราวของอะของสังขารแต่มะเร็งทางด้านจิตใจหรือผู้ป่วยจิตเภทน่ากลัวมากกว่าขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับไม่รู้จะชีแน่ ย, ยังไงก็ก็มันก็อย่างที่คุณพูดเนี่ยมัน ก, ก, นนก็เรื่องปัญหาทางด้านจิตนี่ยมันรุนแรง ก, กว่าปัญหาทางร่างกายเมื่อตอนต้นมีคําถามหนึ่งบอกว่า ทำไมสวดมนต์แล้วถึงได้บุญครับอาจารย์ครับถ้าสวดดังอย่างมีสติใจมีคิ้งเรื่องราวต่างๆมันก็ทําให้ใจไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเช่นที่เราเป็นโรคมะเร็งใจเราก็จะหมกมุ่นคิดอยู่กับเรื่องมะเร็งฉันเป็นมะเร็งฉันเจ็บฉันปวดฉันจะตายฉันอยากจะให้มันหายมันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเครียดพอเรามาสวดมนต์ปับ๊บสวดอย่างจริงจังไม่ไปคิดถึงเรื่องโครคภัยไข้เจ็บ เราก็ลืมพอเริ่มเราลืมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไปความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็หายไปนี่เป็นบุญมันทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้แต่เป็นความสงบชั่วข้าวทั้งนั้นเองพอเราหยุดสวดพอเราเริ่มคิดเราอาจจะกลับไปคิดถึงโรค อ, อะไรใหม่แล้วก็เริ่มทุกข์กับกับกับอะไรใหม่เราก็ต้องสวดใหม่ถ้าเราอยากจะทําให้เราไม่ทุกข์กับโรค อ, อะไรเราต้องใช้ปัญญา สอนใจให้รับว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เหมือนดินฟ้าอากาศที่มันฝนมันจะตกวันนี้ไม่มีใครไปห้ามมันได้แต่เราไม่ต้องไปทุกกับฝนตกได้แล้วก็หัดอยู่กับฝนไปฝนตกก็หัดอยู่กับมันไปอย่าไปต่อต้านอย่าไปต่อต้านโลกมคอะไรอย่าไปต่อต้านความเจ็บของร่างกายน้อมรับมันเข้ามาว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเราจะไม่ทุกกับมัน คุณพ่อมาครับเวลาทําบุญทําทานเราจําเป็นต้องจําบุญตรงนั้นไหมครับผมเคได้ยินว่าควรจะจำํำว่าทําบุญอะไรไปบ้างเพื่อใช้เพื่อให้จิตเป็นกุศลแต่ผมไม่ค่อยได้จําเวลาทําบุญสอบถามว่าควรวางจิตอย่างไงถึงจะถูกต้องครับ อ, อ๋อเรื่องบุญนี่เราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปจำํำกฎแห่งกรรมมันจะจำให้เรามันเป็นผลขึ้นมา ท, าทันทีมันเป็นผลที่สะสมใน่ใจขอเราขึ้นมาทันทีเหมือนกับที่เราเติมน้ํามันเนี่ยแต่ตน้ํามันในรถเนี่ไม่นก็จะ อยู่ในรถของของเราทันทีเราไม่ต้องมาจากว่าเราแต่มัมืเติมเมื่อไหร่มันก็จะอยู่ในรถของเราไปกับเราไม่น้นมันเข้าไปกับเรา <c oughs> ครับคุณอิซิแคทครับตอนนี้ยังไม่เป็นมะเร็งหากรู้ว่าเป็นมะเร็งวินาทีนั้นต้องเริ่มอย่างไรดีคะก <c oughs> ็ า, ามตัวยนยจะทำงานดีนะถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณเป็นมะเรงก็มีสองทาง ทางนึงก็ทางร่างกายคก็ต้องไปหาหมอเพื่อไปรักษาทางจิตใจคุณก็ต้องไปหาธรรมะเท่านั้นถึงจะรักษาความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นโรคอะเรเองได้การนะรักษาธรรมะก็ต้องไปศึกษาว่าธรรมะว่าจะ ต, ต้องทําอะไรบ้างธรรมะท่านก็สอนว่ามีสองอย่างที่ต้องปฏิบัติก็คือสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาทํามสมาธิแล้วก็เจริญปัญญา คุณศิรินครับแม่ของลูกยังทุกขทรมานกับกายสังขารตามที่อ่านธรรมะว่ากายป่วยมีสิทธิ์หายแต่ถ้าจิตป่วยจะติดไปพบหน้าลูกอยากบอกแม่แต่ได้แค่พูดแบบออกเสียงคนเดียวว่ากายป่วยใจไม่ป่วยแค่อยากให้แม่ได้ยินเสียงแต่ทุกๆวันก็ได้บอกแม่ให้ต้องพุทโธพุทโธครับคุณพิมพ์ณพัทครับเวลาที่ทำสมาธิพอนั่งไปจะเกิดอาการปวดหลัง พอเอาจิตไปดูสักพักความเจ็บปวดหายไปแล้วก็ย้ายที่ไปปวดตรงอื่นอีกอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรครับพระอาจารย์ก็เป็นเรื่องปกติของร่างกายเป็นอันนั้นเป็นเรื่องที่เราควบคุมมังคับไม่ได้ร่างกายมันก็ถึงเวลามันก็ต้องเจ็บท้องปวดถ้าเรานา่ันนายืนนานๆทำอะไรนานๆอานการเจ็บปวดมันก็ต้องตามมาคุณมารีรัตครับ เวลาโยมขึ้นเครื่องบินหรือนั่งเรือข้ามทะเลโยมใช้วิธีนั่งภาวนาอย่างนี้เรียกว่าเตรียมพร้อมตายหรือเปล่าเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเราเราภาวนาอย่างไรถ้าภาวนาแบบสมาธิแล้วก็เพียงแต่ทำใจให้สงบไม่ไปคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอยาจะเตรียมตายจริงๆเราต้องใช้วิปัสสนาเพื่อใช้ปัญญาสอนว่าเดี๋ยวหรืออาจจะจมเครื่องอันจะตกก็ได้ เมื่อเกิดอาการหนึ่งๆเกิดอาการนี้ก็ยอมตายต้องสอนตัวเองต้องยอมตายต้องปล่อยต้องปล่อยร่างกายอย่าไปกลัวอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเมื่อถึงเวลามันจะตายก็ต้องยอมตายนีย้ถึงเรียกว่าเตรียมตายเตรียมพร้อมที่จะตายคุณมาริสาครับบางคนนั่งเล่นไพ่ข้ามวันข้ามคืนแต่พอชวนมาปฏิบัติธรรมนั่งนานไม่ได้เพราะกิเลสเลาะหลอกล่ อ, ล อ, ล อ, ลอใช่ไหมคะ คือถ้าคนเราชอบทำสิ่งนั้นมันก็จะทำได้แต่ถ้าให้ไปทำในสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็ทำไม่ได้คุณอภิญญาบอกว่าตอนที่ดูแลลูกพาลูกสวดมนต์และพิจารณาสังขารกำหนดลมหายใจร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราความเจ็บปวดไม่ใช่ของเราทำให้ผ่านช่วงเวลานั้นๆจนลูกได้ทำทุกอย่างจนครบครับ คุณพี่นก ค, ครับทุกวันนี้ใช้ธรรมะเป็นยารักษาหัวใจค่ะมีเรื่องราวให้มากให้คิดค่ะด้วยอยู่ต่างประเทศไกลบ้านด้วยหมอบอกเป็นโรคซึมเศร้าค่ะจะทําแบบไหนไม่ให้คิดค่ะพระอาจารย์ทุกวันนี้ก็ใช้ทำเป็นยารักษาใจค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมค่ะพระอาจารย์ก็ต้องใช้สติอยู่คิดใช้พุทโธแลใช้ให้ท่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปือย หยุดพุโทโธก็ต่อเมื่อเราต้องคิดกับเรื่องที่เราต้องทําจริงๆถ้าเราไม่ต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดก็อยาดไวยให้มันคิดให้มันคิดอยู่กับคําว่าพุโทโธพุธโทโธไปลองฝึกทําตั้งแต่เริ่ตาขึ้นมาเลยตอนะตื่นเช้าขึ้นมาเรายังไม่มีความจําเป็นที่ต้องคิดเรื่องต่างๆในขณะที่เราไปเตรียมเตรียมตัวอาบน้ํานันนางน้าดไปผ่านเราก็พุโทโธพุธโทโธไปฝึกไปฝึกให้หยุดคิดไปแล้วต่อไปความทุกข์ที่เกิดจากความคิดมันจะไม่มี คุณ NK ครับอังคารนี้กำลังใจะให้เคมมาเลงลัหลังไข่เข็มแรกช่วงพักฟื้นอยู่บ้านการสดมน์นั่งสมาธิถือว่าเป็นหนึ่งในการสะสมบุญไหมเจ้าคะก็เป็นเป็นการสะสมความความสุขใจความสงบใจคุณดนตรีครับบอกว่าปกติเวลานี้ดูไลฟ์สดซื้อของค่ะแต่วันนี้ตัดใจตัวเองมาฟังธรรมรู้สึกเบาสบายและประหยัดเงินในบัญชีได้มากค่ะ S <S <2: c oughs> คุณนัฐมนครับเวลาได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์แล้วมีความสุขมากพยายามทําสมาธิอยู่ตลอดแต่ใจไม่ค่อยสงบเลยฟังธรรมจากพระอาจารย์ช่วยค่ะฟังทุกวันมีความสุขมากค่ะขอบคุณคุณหมอวีที่ไม่โอกาสได้พบธรรมพระอาจารย์ครับถ้าเรายังทําสมาธิเไม่ได้ก็อาศัยการทำธรรมเป็นการฟังในการฝึกสมาธิไปก่อน ไ, ได้ เพราะสติของเรามี็นกำลังไม่มากพอแต่ถ้าหลังจากที่เราฟัธรรมเสร็จแล้วเราก็อาจจะนั่งสมาธิต่อไปเลยก็ได้นั่งต่อไปดูลมหายใจก็เพราะตอนนั้นใจเ ร, เราอาจจะมีสติมากพอที่จะนั่งทาสมาธิไ ด, ด้ด้วยได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยการทำธทรมก็ได้ อุ่นเจบีซีครับการเรียนพระอาจารย์ขอทราบว่าพระที่เป็นมะเร็งแล้วหายยังจำพรรษาอยู่วัดป่าบันตัดหรือไม่เจ้าค่ะอยากได้ยาส่วนภัยที่รักษา ม, มะเรง็งเพราะที่บ้านเป็นมะเร็งหลายคนเจ้าค่ะโอนานมาบตั้งแต่สมัยที่เราอยู่นั่งสี่สิบกว่าปีแล้วไม่ทราบตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ไหนเนาะต้องต้องไปติดต่อที่วัดป่าบันตาดหรดูแล้วไปถามพระที่วัดป่าบันตดัดรู้สึกภาพที่ที่ท่านเป็นนชื่อพระจากไปอยู่ อาจารย์ไปยืน ต, ตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านยังไปชีวิตยอยู่หรือเปล่ปาเพราะท่านอายุก็มากแล้วอันนี้ท่านท่านอยู่ท่านก็6 8 0กว่าขึ้นไปแล้วแต่ก็ลองไปติดต่อที่วัดป่ามวานตาได้นะถามว่ามีใครรู้จักท่านอาจารย์ไปยูนนั่ เมื่อไปติดตกับท่านท่านพระอาจารย์อินถวายก็ได้ท่านท่านเป็นเพื่อนกับพระอาจารย์อินถวายอมาปรานาคําน้อยอถ้าอยากจะรู้ลองไปถามท่านพระอาจารย์อินถวายเว่าพระอาจารย์ไปอยู่ด้วยไปอยู่นี้ท่านตอนน well ั้นรักษาด้วยยาสมุนไพรอะไรพราทราบว่าช่วงนั้นพราอาจารย์อินถวายก็ช่วยดูแลด้วยช่ยดูแคับประกอบท่านอันสามารถกว่าพระอาจารย์หนึครับอาจารย์มากกว่าเราิษย์พระจารย์ คุณปันทิพย์ครับกับพระอาจารย์เมตตาอธิบายนั่งวิปัสนาปฏิบัติแบบไหนคะยังไม่เข้าใจคะ่ะก็ต้องนั่งวินั่งนั่งสมาธิก่อนวิปัสสนานี่เป็นขั้นที่สองขั้นแรกคือการนั่งสมาธิคือการนั่งดูลมหายใจเข้าออกทําใจให้สงบไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือว่าถ้าเราจะใช้คําบริการพูดเท่า ก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ลมก็ได้นั่งนั่งหลับตาแล้วก็บริการคพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจนกอดใจจะสงบหรือบางท่านก็ใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ดูลมด้วยแล้วก็บริการคพุโทโธด้วยเช่นเวลาลมหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธอย่างนี้ก็ได้นี่คือวิธีทําสมาธิก่อนที่เราจะไปขั้นวิปัสสนาหน้าเราต้องผ่านขั้นสมาธิไปก่อน คุณจิตดาภาครับปกติจะศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่เป็นประจำค่ะและตั้งใจไปปฏิบัติธรรมหลังจากการรักษาด้วยการให้เคมีแต่หลังจากให้เคมีครบแล้วมีผลข้างเคียงมือและเท้าชาเยอะมากยังไม่สามารถไปปฏิบัติได้อยากให้พระอาจารย์แนะนําการปฏิบัติที่บ้านในตอนนี้ครับก็ปฏิบัติถ้าที่เราปฏิบัติได้ถ้าเราเดินจงกรมได้เราอยากจะเดินจงกรมก็เดินไป ถ้าเรานั่งสมาธิได้มีห้องที่ไม่มีใครมารบกวนเราเราก็นั่งสมาธิไปทำเท่าที่เราสามารถทำได้คุณลองทีมครับการเตรียมพร้อมแยกกายกับจิตตอนเป็นมะเร็งคือก็คือการเตรียมตัวจิตสุดท้ายที่ทุกคนเข้าใจว่าต้องมารอจิตสุดท้ายถึงจะได้ไปดีแต่พระอาจารย์บอกว่าจะต้องมาฝึกซะก่อนไม่ใช่มารอจิตสุดท้ายผมเข้าใจถูกหมครับ จูกต้องเพราะว่าจิตสุดท้ายนี้มันไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะมาทําให้ให้มันดีได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนต้องทําตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็นอะไรทําให้มันดีมาถึงเวลาจิตสุดท้ายเราไม่จะทําให้มันสั่ให้มันดีได้คุณมีนาครับ เวลาไปปฏิบัติธรรมในวันแรกๆจะนอนตามเวลาปกติแต่พออยู่นานวันความง่วงเริ่มลดลงกลายเป็นตาสว่างบางทีตีสายังไม่ง่วงนอนนอนยังไงก็ไม่หลับค่ับพยายามฟังธรรมหรืออยู่กับพุโทโธอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครัควรทำอย่างไรดีครับที่เรานอนไม่หลับก็เพราะเราคิดมากเพราะเราไม่มีสติที่คอยรับความคิดทุกแตนเราน้องพยายามฝึกสติ ใช้การ บ, บริกรรมพูดโธรก็ได้ใช้การสวมดมนต์ก็ได้นะคแล้วก็มันก็จะทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นขณะที่นอนหลับแล้วก็พูดโทไปก็ได้สวมดมนต์ไปก็ได้แต่ข้อสําคัญก็คืออย่าไปอยากหลับความอยากหลับนี่จะเป็นตัวที่จะมาทําให้เรานอนไม่หลับเอย่าไปอยากหลับเพียงแต่ว่าขอให้เราอยากพูดโทอยากจะดูลบไปอย่างเดียว ให้อยู่กลงไปแบบพูดโทรไปจะหลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่หลับก็พูดโทรไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลับเองแต่ถ้าเราไปอยากให้มันหลับมันยิ่งจะทำให้นอนไม่หลับความอยากนี่เป็นกิเลสเ น, นสร้างความสร้างความทุกข์ให้กับใจเมื่อใจทุกข์มันจะนอนไม่หลับคุณปาริชาติครับ ช่วงที่คุณแม่ป่วยต้องไปเข้าออกที่สถาบันมะเร็งบ่อยๆเห็นคนป่วยโรคมะเร็งเยอะมากเห็นทุกวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และทุกอาชีพแม้กระทั่งพระค่ะหนูเฝ้าแม่ที่ห้อง ICU บอีบ่อยๆเห็นคนตายเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนจะสิ้นลมหนูจึงได้ยินเสียงและสัญญาณสิ้นชีพที่หมดไปบ่อยๆจุดนั้นหนูเกิดการเข้าใจการเจ็บการตายโดยฉับพลันจึงไม่กลัวการล่าสังขารของแม่และการเจ็บของตัวเองเลยแม้ช่วงนั้นจะภาวนา น, น้อยลงเพราะยุ่งอยู่กับคุณแม่ แต่เหมือนได้เผชิญเหตุให้ศึกษาธรรมะโดยทางปฏิบัติโดยตรงอย่างนี้หนูคิดถูกไหมเจ้าคะถ้าหนูไม่กลัวถ้าหนูไม่ทุกข์ก็ถูกแล้วลการศึกษาการปฏิบัตินี้เพื่อทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่ไปกลัวกับความความตายของร่างกายตายได้อย่างสงบตายได้อย่างสบายคุณมาราทรีครับ เคยเป็นมะเร็งปากบดลูกรักษาด้วยการผ่าตัดคว้านต่อมน้ำเหลืองและเลยคิดว่าหากไม่หายอย่างไรคงต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดตอนนี้ผ่านมา20ปีแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยิ่งได้มาปฏิบัติธรรมรู้สึกไม่กลัวตายเลยเจ้าค่ะคุณโชติมาครับกลับนมัสกา ร, รเรียนถามกลัวความทรมานและความเจ็บปวดจากการรักษาแต่ไม่กลัวตายต้องทาอย่างไรคะ ก็ต้องทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ยอมรับความตายให้ได้ยอมรับกับการรักษาให้ได้ไปถ้ากลัวกลัวแต่การจะปปวดจากการรักษาถ้าไม่กลัวตายก็ไม่ต้องไปรักษามันสิก็ปล่อยให้มันตายไปถ้าคุณกลัวความเจ็บปวจากการรักษาก็อย่าไปรักษาไปในเมื่อคุณไม่กลัวตายแล้วคุณจะไปรักษาไปทำไมให้มันทรมาไปกตลอดก็ไม่ทําไปรักษามัน ไว้ใมันตายไปไม่ว่าคุณไม่กลัวตายนะก็ไม่ต้องทําอะไรนะก็ไม่ต้องรักษาที่เขรักษากันเพราะเขากลัวตายก็ยังอยากอยู่กันแต่ถ้าคุณไม่กลัวตายคุณพร้อมที่จะตายคุณก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องรักษาคุณวันทิพย์ครับการที่แม่บอกพูดพรรณน า, นาการทําความดีการสวดมนต์ของลูกที่เสียชีวิตไปอย่างขจงานหัการทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ การพันนาทําความดีการสวดมนต์ของลูกที่เสียชีวิตไปไม่เข้าใจความหมายคุณหมออธิบายเราเหมือนกับท่านคงจะเสียลูกไปแล้วก็คงจะพูดถึงแต่คุณงามความดีของลูกที่เสียไปอย่างนั้นหรอือเปล่าครับอาจารย์พูดไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสอส่งให้ลูกไปดีมันมันมันเป็นไปนไม่ได้การจะไปดีไม่ดีอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่ลูกทําไว้คนอื่นไม่เกี่ยว อย่างที่พวกเราชาติพูดกันเลยขอให้ไปสู่สุกติเนี่ยมันก็เป็นการพูดชะนั้นนะ่ะส่งเขาไปไม่ได้หรอกอยากไปสู่สุกติก็ต้องมีบุญส่งเขาไปไอ้เขาทำแต่บาปยังไงยังไงตายผ่าะนนานมาขอให้เข้าไปสู่สุกติเขาก็ไม่ไปเขาก็ยังต้องไปตามบุญตามบาปที่เขาทาไว้เท่านั้นเองไม่มีพันยังเป็นที่ต้องไปพันนนาไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของคนตายนะคนตายเขาไปแล้วเขามีเขามีบุญมีบาปเป็นผู้พาเข้าไป ครับจากคุณป้าปนัดดาครับเวลานั่งสมาธิหนูสามารถรู้ลมหายใจพุโทโธคู่กับเห็นความคิดวิ่งไปคิดโ น, น, น่นนี่แล้วก็บ่นตัวเองไปด้วยเหมือนบ่นเด็กเวลาโซนแบบนี้เรียกว่าอยู่ในสมาธิไหมครับไม่หรอกแสดงว่าใจเรายังไม่มีสติให้เราอยู่กับพุโทโธไปยังไม่ต้องไปสนใจกับความคิดอย่าไปตามคิดเนี่ยมันจะคิดยังไงอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมหายใจที่อยอยู่กับพุโทโธไป อยู่เรื่ อ, อยๆจนกว่ความเครียดมันจะหายไปถึงจะเรียกว่าอยู่ในสมาธิคุณจิตาภาครับพระอาจารย์ค้าโชคดีที่รู้จักธรรมะก่อนเป็นมะเร็งเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งจึงไม่ทุกข์มากมีความตั้งใจอยากไปปฏิบัติธรรมมาตลอดแต่อุปสรรคคือกลัวกลางคืนมากค่ะพระอาจารย์มีคําแนะนำให้ค้าทายังไงจะไม่กลัวกลางคืนครับเราเราเราเจอกลางคืนทุกวันไม่ใช่นะ เลานอนมันก็ต้องนอนตอนกลางคืนก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นใช้ตัดกะขี้ดูสิเราก็มีการคืนยุคคืนแล้วก็ดับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ต้องไปกลัวอะไรไปอยู่ไอ ป, ปฏิบททัติธรรมมันก็มันก็ไม่มีอะไรครับถ้ามีคนที่ไปปฏิบททัติธรรมก็ตายกันหมดแล้วคุณศศิครับ บางช่วงเลิกงานกลับบ้านค่อนข้างดึกคานเลยไม่ได้นั่งปฏิบัติแต่ใช้วิธีระลึกรู้รู้สึกตัวอยู่ในทุกขณะแม้กระทั่งตอนปฏิบัติงานวิธีนี้จัดว่าเป็นการภาวนานได้ไหมครับถ้ารู้สึกตัวโดยที่ไม่คิดก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติแต่ถ้ารู้สึกตัวแล้วยังปล่อยให้ใจคิดเล่นไปก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติแต่่อยางใดๆการปฏิบัตินี้ต้องระงับความคิดให้ได้ต้องกบจัดความคิดหยุดความคิดให้ได้ทีนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ คุณกันปพลครับแม่อายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีป่วยติดเตียงหลงลืมจําลูกตัวเองไม่ได้ขอถามพระอาจารย์ว่าการเปิดเพลงธรรมะให้แม่ฟังจะดีไหมเจ้าคะไม่รู้ว่าคนไข้ก็จะได้ยินหรือเปล่าหมนะก็มันไม่ม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะการจะให้เป็นประโยชน์จริงๆนีคนไข้ต้องคนที่ฟังนี่ต้องรู้เรื่องแล้วถ้าจะเปิดคุณจะเปิดธรรมะจะดีกว่า เลือกเพลงธรรมะมีธรรมะอยู่ด้วยก็ไม่รู้นะอาจจะมีธรรมะผสมเลยมั้งครับโอเคแต่ต้องดูว่าคนฟังเขาเขาฟังรู้เรื่องมั้ยเปล่าถ้าเขาฟังไป่รู้นรื่องก็มันก็ไม่เกิดประ่ยชนอะไรเหมือนสมัยนี้คนที่ตั้งท้องมักจะไปเปิดเพลงให้ลูกฟังในท้องตามํามหลักการแพทย์เด็กยังไม่ได้ยินเมี่ยแต่กที่อยู่ในครรภ์ไดยินเช็ยเพลงที่แม่แม่แม่ฟังมั้ยเป่ะ เขามีงานศึกษาว่าได้ได้ประโยชน์ครับอาจารย์ว่า hey, เ hey, ด hey, ็กปู่มันดีแล้วครับ <Hey. S 1> ะระบบประสาทมันจเจริญแล้วครับแต่ว่าได้ได้มากแค่ไหนผมไม่รู้รยายละเอียดนะครับอาจารย์ครับ <Okay. S 1> คุณปุ้ยครับขอโอกาสถามเรื่องความแตกต่างระหว่างโปรงตกกับเข้าใจค่ะปุ้ยคิดว่าพอเข้าใจมากขึ้นเรื่องที่เข้ามากระทบ ก็จะมีผลต่อจิตใจน้อยลงแต่บางทีกลัวว่าจะหลงทางโดยไม่รู้ตัวคิดเองว่าเราเข้าใจครับคือความเข้าใจมัจะทำให้เรากลงได้เข้าใจว่าความตายเป็นธรรมดาเราก็จะปลงเรา็กลงได้ยอมตายได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องตายทำให้มันไม่ตายไม่ได้เราก็อย่ปลงไม่ได้อาจารย์ครับเรียนถามเรื่องเรื่องความไม่กลัวตายอย่าง อย่างเด็กวัยรุ่นที่เวลาเขาไปตีกันอย่างเงี้ยครั บ, รบเขาฮึกเหิมมากแล้วก็รู้สึกว่าความกลัวตายเขาน้อยมากอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เพราะน่นเหมือเนเพราะเขาไม่มีสติคิดไงเขาถึออารมณ์ครอบงำคือความกลัวครอบนำอยู่มันก็เลยทำให้เขาไม่คิดถึงเรื่องของความตายไปครับคุณสมพรครับ ต้องทำงานเพื่อยังชีพจึงอาจจะไม่สะดวกถือศีลแปดข้อที่ต้องทานอาหารหลังเที่ยงไปแล้วเนื่องจากต้องใช้กําลังต้องใช้แรงเพื่อจะได้มีแรงไปทํางานเมื่อเป็นเช่นนี้โยมจะหาโอกาสเป็นช่วงๆตามที่เหมาะตามที่โอกาสอํานวยมาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดญาณคิดอย่างนี้พอจะถูกต้องแล้วหรือยังครับการถือศีลแปดนี่ก็เป็นการเป็นการใช้ในเวลาที่เราไปปฏิบัติธรรมมากกว่า ถ้าเราไม่ไปปฏิบัติธรรมนถือเพียงสินห้าก็พอแต่จะถือสินแปดก็ไม่ห้าแต่มันกไ็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากมายครับเพราะการถือสินแปดนี้เป็นการที่เราจะไปห้ามใจให้เราไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกิริยานั่นเองคุณอีซี่แคทครับทำอย่างไรจะตัดใจไม่กลัวสิ่งลี้ลับวิญญาณในช่วงเวลาทำสมาธิคะ เช่นหลับตาทําสมาธิจะมีมโนโคิดว่ามีคนมาแอบมองเราอยู่ครับนั่นแหะก็ต้องสอนเราว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีหลอกก็คือเร า, เรามาโนโขึ้นมาเองเราคิดขึ้นมาเองผีจริงๆคือดวงวิญญาณของคนที่เขาตายไปแล้วเขาไม่มีเวลามาหลาอกเราเขาต้องไปรับผลบุญผลบาปของเขาไม่มีผีจริงไม่ ม, มาหลาอกเราไอ้ที่มาคอยหลอกเราก็คือผีไม่จริงผีที่เราจิตใจเราจริงตนาการขึ้นมา วิธีที่จะดับผีแม่จริงนี้ก็คือต้องใช้สติบริกรรพุโทโธพุทโธไปเวลาเราคิดว่ามีมีมีมโดเมนญาณไม่มีอะไรมามองอยู่นี่เราก็ให้ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดนี้ให้ได้พอหยุดความคิดนี้ไปแล้วผีที่มันเราเชื่อจะมีมันก็หายไปคุณพิมพ์ชนกครับผู้ชายตลอดชีวิตไม่เคยบวชจะมีผลอย่างไรคะ ก็ไม่แน่หรอกว่ากาบรบวชหรือไม่บวชนี่มันไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะมาว่าเขาจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่การกระทําของเขามากกว่าถ้าเขาท ำ, ทำบุญกอทําบ่เป็นตัวที่ยัตัดสินชีวิตของเขาว่าจะดีขึ้นหรือจะ เ, วเลวลงคุณนุษสุรีครับการเรียนอาจารย์ด้วยสังขารของตัวเองการนั่งสวดมวนต์ภาวนาทําสมาธิบนเก้าอี้ถือว่าไม่ถูกต้องไหมครับ ก็ไม่ิดหรอถ้าเรานั่งขัดสมาลไม่น่าจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบปฏิบัติเต็มที่คราง้งละหลาชั่วโมงนี้การนั่งในท่าขัดสมาลนี้จะเป็นท่าที่เหมาะเหมาะกว่าสบายกว่ากับการนั่งบนเก้าอี้แต่ถ้าร่านกายเรามีปัญหาไม่สามารถนั่งขัดสมาลได้เราก็ต้องนั่งเก้าอี้ไป แต่ผลที่ได้จากการนั่งน่าจะได้ไม่มากเท่ากับเวลาที่เรานั่งขัดสมาธิคุณสมพรครับการ retreat กับการ meditation เป็นคำที่ชาวต่างชาติใช้กันมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรครับก็ retreat หมายถึงเราถอยออกจากภารกิจการงานต่าคนที่ไป retreat อาจจะไปมันมี retreat หลายรูปแบบบางคนไปทำโยคะก็มีบางคนก็ไป ไปทำกิจกรรมอะไรที่พักผ่นอนหย่อนใจก็เรียกว่า retreat แต่ถ้า meditation นี่ก็หมายถึงการไปปฏิบัตินั่งสมาธิบันทีก็จะใช้คำเกากับคำว่า retreat อีกีไป meditation retreat แสดว่าอันนี้ไปไปทำสมาธิแต่ถ้าไปบอกว่าไปโยโยคะ retreat ก็หมายแึงว่าไปไปทำโยคะคำว่า retreat นี่หมายถึง เป็นการแยกออกจากการทำภารกิจการงานของเราเนี่ยถอยออกมาถอยออกจากภารกิจการงานต่างๆที่เราเคยทำเป็นปกติแล้วก็ไปทำกิจอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าไปภาวนาไปทำสมาธิก็ได้เ่าไปเมดิเตชัน t ีทรี คุณยศสวัสด์ครับมีคนรู้จักอายุ30กว่าเป็นมะเร็งช่องท้องผอมลงมากทําคีมโมหลายครั้งเก็บตัวอยู่บ้านเพราะเหนื่อยควรจะพูดกับเขาอย่างไรดีเพื่อให้เขาไม่เศร้าครับเขาอยากจะพูดกับเราหรือเปล่ า, ถ, าถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปพูดดีกว่าเดี๋ยวยิ่งจะไปยิ่งมันทาให้เขาเศร้ามากขึ้นใหญ่เขา อ, อย่างนี้เราต้องรู้ว่าเราทำํำยังไงให้เขาไม่เศร้าได้ถ้าไม่รู้อย่าไปถามคนอื่นเลยว่า ถามไปแล้วมันเราาจะไม่สามารถนำมาไปทำไปพูดจากที่เราไปฐานเข้ามาได้อย่างคนที่เข้าไปตั้งใจไปถามพระอาจารย์อย่างนี้ถือว่าดีเลยนะครับอาจารย์ไปถามคนที่รู้ดีกว่าคนที่รู้ ก, ก็จะได้บอกโดยให้เข้าใจให้มันต้องให้ทำอย่างไร<ำ>ถ้าเราไม่รู้เราไปไปบอกข้าราชาจะบอกเขาแบบผิดๆถูกๆก็ได้ คุณนัฐภาครับเราต้องบอกคนป่วยให้ทราบไหมครับหรือไม่ต้องบอกให้คนป่วยเพื่อให้เขาไม่เครียดครับไปอยู่ที่เขาอยากจะรู้หรือไม่อรับหรือไม่ถ้าไม่อยากจะรู้ก็ต้องบอกเขาด้านกายของเขาแต่ถ้าเขาไม่อยากรู้วคุณไม่ต้องบอกเขาคุณเก๋ครับ เวลาที่เริ่มจะนั่งทําสมาธิต้องมีคํากล่าวเริ่มต้นไหมครับเช่นในขณะที่ลูกทําสมาธิอยู่นี้ขออย่าได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทําอันตรายให้ตัวออกตัวใจในขณะทําสมาธิเป็นต้นต้องมีคํากล่าวอย่างนี้ไหมครับไม่จําเป็นแล้วแต่แล้วแต่และคนจะลกล่าวอะไรก็ได้ไม่กล่าวอะไรก็ได้คุณโนบะดีบอกว่าเป็นมะเร็งสมองครับเพิ่งเข้ามาฟังครับ คุณยศสวัสด์ครับคุณแม่อยากไปอินเดียสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติแต่ยังกลัวโควิดกันและคุณแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงมีเครื่องเพสเมเกอร์ที่หัวใจด้วยแต่ในฐานะชาวพุทธเราควรไปสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับไม่จําเป็นครัคือครูบาอาจารย์ที่บรรลย์ธธรรมนี่ไม่ไปกันเยอะแยะน้องปู่มั่นท่านก็ไม่เคยไปอินเดียน้ตงตามหาบัวก็ไม่เคยไปอินเดียเพราะว่าการไปอินเดียนี่เป็นการเ ป, เป็นแต่เป็น ตอกย้ำศรัทธาที่เราไปอยู่ให้หมันให้มันมีมั่นคงมากขึ้นเองแต่วิธีอื่นที่ทำให้เรามีศรัทธามากขึ้นก็มีอยู่โดยที่ไม่ต้องไปอินเดียเช่นการศึกษาและการปฏิบัติธรรมอันนี้ถ้าเราศึกษาและปฏิบัติธรรมจนได้ผลเนี่ยมันจะตอบย้ำความศรัทธาของเราให้มีมากขึ้นยิ่งกว่าการไปอินเดียเองไม่จาเป็นจะต้องไปอินเดีย คุณกัณ น, นิกาครับบอกว่านะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแนะนําอย่างไรเรื่องเตรียมตัวเผชิญความตายครับก็อย่างที่พูดนะต้องถามน้าเพราะอยากจะต้องการคําแนะนําหรือเปล่าถ้าต้องการคําแนะนําก็ให้ก็าไปหาแพทย ด, ดีกว่านะคนที่อยาให้คําแนะนําที่ถูกต้องดีกว่าที่เราจะมาถามน้าไปพูดว่าบางทีมันพูดไม่ครบถ้วนบริบูรณ์นะแล้วมันก็อาจจะทําให้สับสนได้ไม่เข้าใจได้ คุณสมพรครับเวลานั่งสมาธินี่คือเรานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธคอยดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนั่งสมาธิใช่อย่างนี้หรือเปล่าครับหรือนั่งสมาธิเราต้องนั่งกันยังไงถึงจะเป็นการนั่งที่ถูกต้องครับก็นั่งสมาธิเพื่อให้ใจไม่คิดให้ใจหยุดคิดด้วยการดูลมหายใจก็ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธก็ได้แล้วด้วยการดูลมแล้วบริกรรมพุทโธควบควบคู่ไปด้วยก็ได้แต่เป้าหมายก็คือใจจะต้องเน่นจะต้งองหยุดคิด ไม่ได้ถึ ง, งเรียกอเมริกาทำสมาธิที่ถูกต้องคุณมาลีรัตครับโยมสอนหลานว่าแม้แต่ลมหายใจก็ให้ได้ประโยชน์อย่าหายใจทิ้งเปล่าให้ภาวนาพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกถูกไหมเจ้าคะถ้าเป็นไปได้ก็ดีถ้าเรามีสเต็ปดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆใจเราก็จะเย็นเย็นขึ้นมีความสุขมากขึ้นเบาลง คุณสมพรครับการทำภาวนาเราต้องทำพร้อมๆกับที่เรานั่งสมาธิหรือเปล่าครับหรือต้องทำปฏิบัติอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนาครับการนั่งสมาธิก็เป็นการภาวนาอย่างหนึง่งการภาวนาการภาวนามีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกก็คือการนั่งสมาธิระดับที่สองก็คือการเจเริยนปัญญาคือการสอนใจให้เข้าใจหลักของใจนะ เข้าใจว่าร่างกายของเรานี้มัอยู่ภายใต้กฎของใจรักเกลื่อนนิจังทุกขามนัสตาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาก็เป็นภาวนาอีกอย่างหนึง่งนั่งสมาธิเราเรียกว่าเป็นสมถ ภ, ภาวนายารันปัญญาเราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคุณกิติวัตรครับจากคาถามเมื่อสักครู่อยากทราบว่าแล้วจิตสุดท้ายที่ดีควรจะเป็นอย่างไรจึงดีก่อนจากไปครับ เป็นจิตที่เราควบคุมให้อยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาไม่ตื่นเต้นต่ใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคุณธนพัฒน์ครับผมภาวนาด้วยคำว่าปล่อยวางปล่อยวางและคิดตามไปด้วยว่าไม่มีอะไรให้หยิดมั่นถือมั่นหลายครั้งจิตก็สงบลงแบบนี้คือสมถะหรือวิปัสนาครับแล้วทำแบบนี้เป็นประโยชน์ไหมครับเป็นสมถะป็นไม่ใช่ยังไม่เป็นวิปัสนาวิปัสนามันต้อง เวลาที่เราต้องสูญเสียอะไรแล้วเราเราปล่อยวางโดยไม่ทุกกับสิ่งที่เราสูญเสียไปเนี่ถึงนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเช่นมีคนมาขโมยเงินไปแล้วเราปล่อยวางปล่อยวา่าปล่อยให้มันไปมันจะไปก็ปล่อยให้มันไปเราไม่ทุกกับการสูญเสียเงินทาวิ่งถึงนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาคุณตายครับ อาจารย์เจ้าคะถ้าเราไปทําบุญมาหรือปฏิบัติธรรมมาเราจะถวายบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรและคนที่เรารักได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกบุญนี้เป็นของเราโดยเฉพาะเราไม่ต้องไปให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ต้องการบุญจากเราหรอกนะเจ้ากรรมนายเวรเขาจะรับบุญของเราไม่ได้บุญของกายของใจนอกจากบุญที่เราอทิศให้กับคนที่ร่วงลับไปแล้วท่านั้นที่เราสามารถแบ่งบุทิศไปได้ คุณวรุณีครับเป็นมะเร็งรังไข่ตอนนี้รักษาครบคอสแล้วและไม่พบเชื้อแล้วในระหว่างที่รับยาเคโมร่างกายอ่อนเพลียและมีอาการซึมเศร้าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยาเคโมจิตเศร้าหมองตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมจิตใจได้พยายามสวดมนต์ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แต่จิตไม่ฟังจมดิ่งอยู่กับความเศร้าหมองโดยที่ไม่สามารถแยกจิตออกมาได้เลยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ตอนผ่าตัดยังมีสติที่สามารถแยกจิต กับความเจ็บปวดได้หลังจากที่หมอให้ยาต้านซุมเศร้าก็เริ่มกลับมานั่งสมาธิได้และภาวนาพุทธังสระนังขะฉามิอาการแค่นี้ครับอาจอืยก็บางครัง้งแทบบางทีร่างกายมันมันเป็น ม, า, มากๆในบางทีถ้า ส, ส, สติเรามีไม่มากพอเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำลายได้เพราะความเจ็บปวดของร่างกายมันอาจจะมากเกินกว่ากาลังที่เราจะรับได้ เราก็ต้องอยอมรับกับสภาพไปคุณพีรศักดิ์ครับคนที่สมองได้รับการผ่าตัดจนเสียหายจําหลายเรื่องไม่ได้พูดไม่เข้าใจหรือคนแก่ที่หลงหลงลืมลืมจิตสุดท้ายจะยังเป็นไงครับทั้งกรณีที่เคยฝึกสติกับกรณีที่ไม่เคยฝึกสติมาก่อนครับคือมันอยู่ที่บุญที่แบบที่เราทําไว้นะมันจะเป็นผู้ที่กําหนดว่าจิตสุดท้ายเราจะจะ จะเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์มากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปจิตของเราก็จะสุขมากกว่าทุกข์มันก็จะไปสุขสุขกติถ้าจิตของเราทำบาปมากกว่าบุญจิตของเราก็จะทุกข์มากกว่าสุขแล้วมันก็จะไปอบายมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่มันจะตัดเป็นผู้ตัดสินโดยอัตโนมัติเราไม่สามารถไปควบคุมไปส า, มารมันได้ตอนที่ถึงระยะสุดท้ายของชีวิตกฎแห่งกรรมจะเป็นผู้กำหนด มาล้วจิตจุดทาเราจะเป็นอย่างไรคุณมาลาทรีครับพบว่าการนั่งสมาธิช่วงตื่นนอนตอนเช้าเข้าสมาธิได้ดีและเร็วกว่าตอนก่อนนอนเพราะก่อนนอนเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเยอะทําให้กําจัดความคิดได้ยากกว่าและสวดมนต์ก่อนนอนแต่นั่งสมาธิตอนเช้าทําได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้เวลาที่นั่งสมาธิที่ดีสุดก็คือตอนเช้าที่หลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเพราะว่าความคิดต่างๆที่มันตกค้างอยู่ใน ใ, นใจมัน หายไปเกิดหมด น, นะทาให้เวลานั่งสมาธิี้มันสงบได้ง่ายกว่าคุณนนทรีครับกลับเรียนถามพุโทโธในชีวิตประจําวันเช่นถ้าเรานั่งทํางานสักพักรู้สึกตัวนั่งพุโทโธไปสักพักหรือพุทโธไปคิดเรื่องงานอีกพอรู้สึกตัวกลับไปพุโทโธอย่างนี้เรื่อยๆหรือครับก็ถ้าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดเราก็หยุดคิดแต่ถ้าเราต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเราก็ต้องทำ ก็ต้องปล่อยให้มันคิดไปแต่อยาาปล่อยให้มันไปนคิดเรื่องที่ไม่จาเป็นจะต้องคิดเพราะต้องการหยุดคิดให้มากที่สุดถ้าที่เราจะทำได้เพราะการหยุดคิดจะทำให้ใจเราเบาทำให้ใจเราสบายทำให้ใจเราเย็นคุณงามครับลูกกราบพระสามครั้งแล้วนั่งสมาธิสวดบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจแล้วลูกภาวนาพุทโธต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ก็ได้ทั้งนั้นเน่ไม่สวดอะไรเลยก็ได้พอนังหลับตาก็พูดโทรปไปเลยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความความพอใจของเราคุณสุพรษาครับการเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุของโรคเป็นเพราะฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติถ้าเราลักษาด้วยธรรมะจะหายไหมครับความจริงโรคซึมเศร้าเนี่ยนโรคทางด้านจิตใจไม่เกี่ยวกับร่างกาย ที่เราซึมเศร้าเพราะว่าเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้อยากจะทำอะไรแล้วไปทำไม่ได้เช่นเราไม่สบายป่วยติดเตียงเมื่อก่อนตอนที่เราสบายเราสามารถไปไหนมาไหนได้น้องนาทำเพลงได้ไปเที่ยวไปกินไปเหน่ได้แต่พอเราเกิดเป็นโรคภัยใกล้เจ็บขึ้นมา อ, payment, อาจจะเป็นํามพึ่งเอามาพลาดหรืออะไรเราไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนทำอะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้เราก็เลยเจอกับความเศร้า เศร้าเป็นนันๆนก็เลยซึมก็เลยเอาไปซึมเศร้าไปเรื่องของจิตใจที่ไม่ได้ทับตามความอยากคุณอีซี่แคทครับหากมีความรู้สึกว่าไม่ศรัทธาพระสงฆ์บางรูปบาปหรือจะส่งผลไหมครับไม่บาปหราก็เพียงแต่ว่าเราก็ตัดสิทธิ์ที่เราจะไปอาศัยท่านมาเป็นอาจารย์สอนเราเท่านั้นเอง คุณลองทีมแจ้งคุณหมอและพระอาจารย์ทราบมีคลิปธรรมะของพระอาจารย์ที่มีคนดูเยอะสุดประมาณสี่ล้านวิวคือหัวข้อธรรมะแก้เครียดแก้โรคจิตในช่อง youtube ปลดลอ็อกนะครับต้องเสียล้านวิวเฉยผ ม, มก็ได้ยนนินเลย้ามาในนี้เลเข้าไปเช็คดูเลย youtube ช่องปลดลอ็อกครับพอาจารย์ต้องเสียแค่ว่าปลดล็อกนะผมเคยเห็นครับอาจารย์คลิปนี้คลิปคนมาเยอะจริงๆครับอาจารย์ครับ มีคนดูสี่ล้านอยู่เลยอ่รู้สึกเขาเอาธรรมะพระอาจารย์ไปอ่านเป็นเสียงอีกคนหนึ่งกับพระอาจารย์ธรรมะแก้เครียดแก้น้จิตครับอาจารย์ผมเคยฟังเดี๋ยวขอแคปชั่นหน่อยครับครับขอบคอเคนนัเดี๋ยววันรุ่งมีเวลาเราไปเซิรดูครับพระอาจารย์ครับผมเคเห็นครับพราจารย์เนี่ยครับ Hmm. คุณอีซี่แคทบอกว่าอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ถามไป hmm. คุณสุภาพรครับลูกป่วยเป็นโรค SLE ลงตายรักษาด้วยการให้เคมเหมือนโรคมะเร็งหกครั้งผ่านมาหปีแล้วค่ะตอนนี้โรคสงบ oh. แต่มีอาการเหมือนจะเป็นซึมเศร้าลูกโชคดีมากวันหนึ่งที่ได้ฟังพระอาจารย์บอกถึงความสุขที่แท้จริงคืออะไรลูกฟังทมและปฏิบัติฝึกนั่งภาวนาทุกวัน ทุกเวลาที่มีโอกาสแม้กระทั่งไปรอพบหมอนัดที่โรงพยาบาลลูกก็นั่งสมาธิจิตใจดีขึ้นมากขาใจเย็นผ่านมาหกเดือนแล้วขาที่ลูกได้ความสุขที่แท้จริงตามที่พระอาจารย์บอกครับทาทคุณสมพรครับยุคปัจจุบันนี้มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากที่สำคัญโรคนี้ยังพบในวัยรุ่นในวัยอายุน้อยๆเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยหรือเปล่าครับเราจะต้อง รวมแก้ปัญหาเหล่านี้กันอย่างไรดีเป็นห่วเงเยาวชนไทยี่ในวัยเรียนครับเราไม่มีธรรมะโอษฐ์มาคอยรักษาใจมันตอนไหนจังวันนี้เราสังคมเรานี่หันหลังให้กับธรรมะการศึกษาเราเรียนเมืามา่อสมัยตอนที่เราเป็ น, นเด็กนี่จะมีหลักส่วรพุทธศาสนาอยู่แต่เดี๋ยนี้รู้สึกว่าเขาตัดออกไปหมดนะกลายเป็นเรื่องสังคมศึกษาไปม่นะ้ยไงคมับแต่ก็เราไม่รู้เรื่องธรรมะไม่รู้จักเรื่องวิธีทําใจ แต่มีการสนับสนุนให้ทำตามความอยากให้ทำการทำอะไรให้ให้ทำให้อย่างเต็มที่พอพอผิดหวังพอไม่ได้หนักใจอยากก็เศร้าบางทีก็ทำให้เกิดภัยกับตัวเองก็เกิดภัยกับผู้อื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเพิ่งยาเสร็จติดกันอย่างนี้น่ากลัวมากทุกวันนี้ดูเด็กสมัยนี้ดูความคีดขาดขอ ง, งเด็กสมัยนี้โอโไม่มีไม่มีธรรมะเลยครับ สมัยก่อนผมยังได้เรียนกับพระอยู่นะครับราอาจารย์ที่พรสอนที่โรงเรียนนะครับใช่สมัยนี้เขาเห็นว่าการจะเอามีพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาในหลักสูตรจารถือว่ามันเป็นการไปไปไม่ไม่ไม่ไม่เสมอภาคกับศาสนาอื่นอะไรตัดศาสนาพูดออกจากหลักสูตรการเรียนไปมันก็น่าเสียดายแต่มันก็เป็นยุค ข, ของ ประชาธิปไตยทุกอย่างจะต้องมีความเสมอภาคกันแต่ตอนพระอาจารย์เรียนพระอาจารย์ก็เรียนศาสนาคริสต์เลยนะคะรับอาจารย์ตอนก่อนก่อนที่เข้าโรงเรียนคริสต์เคเรียนที่โรงเรียนไทยตอนที่อยู่ปอนเนี่ยปอนของคริสต์โรงเรียนไทยแล้วครูวิชาภาเข้าวัดวัดพระไปวัดไปไหว้พระสวดมนต์ที่วัดแล้วก็ฟังเทศธรรมธรรมจากพระก็มีมีพื้นฐานทางทางทางพุทธศาสนาอยู่นิดหน่อยแต ปีแรกในปีปอนหนึ่งที่เข้าไปเรียนหนังสือยังจดจําได้ทุกวันนี้าหลังจากนั้นเวลามา เ, เรียนโรงเรียนคลิปก็ยังไงก็เราก็รับคําสอนของคลิปไม่ได้เพราะว่ามันขัดหลักในเรื่องที่ว่าการทําบาปแล้วมีคนที่จะมาถ่ายบาปให้เรานี่มันมันขัดกับหลักของศาสนาพุทธมันก็เลยทำให้เรายังไงก็รับไม่ได้ <c oughs> งั้นเราก็ทําบาปมาให้เต็มที่เสร็จแล้วถึงเวลาก็ไปขอให้เขาถ่ายบาปให้ คุณธนพัฒนครับผมทำสมาธิก่อนนอนเพื่อให้ใจสงบจากความวุ่นวายระหว่างวันพอจิตสงบลงจะเริมรู้สึกง่วงก็ไปนอนพบว่าส่วนใหญ่จะทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแต่แบบนี้จะไม่ได้ประโยชน์เรื่องการปฏิบัติเจริญสติใช่ไหมครับก็จะไม่ได้สมาธิไการนั่งสมาธิเราต้องไม่ให้ง่วงต้องให้ตื่นตัวตลอดเวลาจิตจะได้สงบแล้วจะมีความสุขจากความสงบ แต่เนื่องจากว่าสติแล้วอาจจะมีไม่มากพอแล้วเวลาของเราก็อาจจะมีไม่มากพอเพราะเราไปทําในช่วงที่เรากำลังอยากจะนอนพอดีมันก็ทําให้การทําทําสมาธินี้เป็นการเป็นเหมือนยานอนหลับไปช่วยให้นอนหลับได้ง่ายมีคุณลองทีมมาต่อนะคะระับเหัวข้อหัวข้อธรรมะแก้เครียดแก้โรคจิตในช่องปวดล็อก ผมอ่านคอมเมนต์หลายคนที่จะฆ่าตัวตายมามีสติเลิกฆ่าตัวตายเพราะคลิปนี้แต่หลายคนส่วนมากยังไม่รู้จักพระอาจารย์เลยครับก็ไม่เป็นไรขอให้รู้จักธรรมะข็พอธรรมะสําคัญทําให้หกับตัวบุคคลตัวบุคคลก็เป็นเหมือนบุรุษไปสนิท น, นั่ น, นเองนาข่าวสารจากพระพุทธเจ้ามามาให้อย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลอันดีสุด ยึติกับคาสอนเป็นหลักเพราะคําคสอนนี้เป็นอนมตาคนที่คนที่สอนนีุ่คคลนี่มันเป็นคนที่ไม่เป็นอมตะจ่ต้องถึงเวลาที่จะต้องตายจากโลกนี้ไปในคําสอนมันจะอยู่กับโลกนี้ไปได้เป็นเวลายาวนานน่าทําประโยชน์ให้กับโลกนี้ได้ดูคําสอนของพระพุทธเจ้ามแล้วกันพระพุทธเจ้าจากโลกนี้ไป 2,500 กว่าปีแนละ้วใช่ไหมครับในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังยังเปลกปังนีค ย, ยังส่งผล ทอบทประโยชน์ให้กับสารโลกได้มากม า, กายก่ายกองเราอย่าไปยึดตัวบุคคลกันขอให้ยึดหลักคำสอนปเป็นนที่ยึดของเราทํามสานักประชานี้คุณลักกี้ครับเพิ่มพลังจิตด้วยสมาธิถ้าคนทำจะเห็นวิญญาณตัวเองว่าไม่มีแรงหิวพอทำจะตั้งขึ้นมาได้ถึงช่วยเปลี่ยนภพภูมิได้อ๋ออันนี้เขาคอมเมนต์ครับ คุณวันนิยาครับบอกว่าตอนเป็นโรคมะเร็งฟังธรรมของพระอาจารย์จิตใจสงบและเข้าใจในธรรมมากขึ้นได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมคำสอนมาตลอดครับ <c oughs> คุณอี c a แบอกว่าขอกราบสอบถามอีกครั้งครับมีข้อสงสัยในพระสงฆ์จะส่งผลถึงการไม่บรรลุโสดาบันไหมครับไม่หรอกมันไม่เกิดเรเลื่องกันเราสามารถสงสัยใครก็ได้มันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุธรรม อยาไปสงสัยธรรมของพระพุทธเจ้ามาแล้วกันเพราะธรรมของพระพุทธเจ้ า, า, านี่เป็นสว่าดขาวโตพระก็วาตาธรรมเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดนะแต่ถ้ายังสงสัยในคําสอนของพระรูปนั้นรูปนีอ้อาจจะสงสัยได้เพราะพระที่เป็นพระนี้ก็มานานมากว่าจะเป็นพระอาเรียบุคคลอย่างนั้นก็อาจจะมีการพระที่อาจจะสอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกๆูกบ้างก็มีเพราะท่านยังนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมแล้วท่านก็มาสอน การสอนโดยที่ตอนเองยังไม่ได้บรรลุเห็นธรรมด้วยตนเองนี้ก็เป็นการสอนด้วยจินตนาการคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านคิดก็ได้ยังถ้าเราสงสัยสงสัยได้อยู่ถ้าเราคิดว่าถ้ามันไม่เข้าเรื่องแลนะฟังแล้ ว, วมันไม่เข้าเรื่องขัดกับหลักทางของพระจ้าก็น่าสงสัยอยู่สงสัยได้แม้แต่ของเราก็สงสัยได้เราไม่ห้ามที่จะสงสัย ถ้าสอนไปแล้วคาไหนที่คิดว่าไม่เข้าท่าหรือว่ามันเป็นที่ไม่ไม่ไม่ตอบโจทย์ไม่ได้ให้ทําักพระจราชญ์จะสงสัยไปก็ได้พระปราชญ์ก็สอนให้ให้สงสัยไปก่อนแล้วในกาลมาสุปพระเจ้าสอนว่าอย่าไปสงอย่าไปเชื่อว่าเขาเป็นเขาเพราะเขาเป็นอาจารย์เราเราต้องเชื่อเขาทุกอย่างที่เขาพูดหรือว่าอย่าไปเชื่อตามที่เชื่อกันมาเพราะฉนั้นก็ต้องเรือว่า ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไปเชื่อต่างราอันนี้ก็ไม่นควรเชื่อแล้วเราไปพิสูจน์ด้วยตัวเราของเราเอกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงด้วยการนํามาว่ า, าปฏิบัติเอามาพิสูจน์กับตัวเราเอีกทีคุณัญญีครับขอบพระคุณเจ้าข่าที่เป็นหลักใจให้พวกเราข่าจะน้อมนาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าข่าทุกครั้งที่เข้ามาฟังธรรมได้พลังบวกไปใช้ชีวิตเสมอเจ้าค่ะ มีคุณโหราบอกว่าขอบคุณนะคะฟังแล้วสบายใจเพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งครับอยากจะขอคุณหมอช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมที่มาฟังตามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่ชุดเตียมพักของน้องตาด้วยนะครับสามารถเข้าไปอ่านหรือไปดูได้ในเว็บของน้องตา .com ครับ เพราะท่าู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์มาาสาหรับคนที่เป็นโรคมะนเองเพราะท่านก็สอนสอนคนที่เป็นโรคมะเองพอดีอาจจะอาจจะได้แนวทางในการปฏิบัติเพราะคำสอนดงตาที่ท่านเน้นอยามากลงมากเห็นพระจันทร์ตไมไคก่อนผมเสิร์ชใน Google คำว่าธรรมชุดเตรียมพร้อมนี่ก็ขึ้นมาทาั้ทงชุดเลยทั้งชุดเลยครับก็เจอดีขออนุญาตโยมนะไปศึกษาดู ถ้าคนที่เป็นนอกมันเอยก็อยากจะหาที่พึ่งทางใจนี้ทำมาชุดเตือนคาพนี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์มากครับแต่ก่อนมีช่วงพันษาหนึ่งครับอาจารย์สามเดือนผมนั่งฟังวัลต่อนครับอาจารย์จนคบรบพอดีหมดพอดีสามเดือนครับสามเดือนดีมากเลยครับได้กำลังได้ความรู้มากๆเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ นี่พระอาจารย์ในคําถามสุดท้ายที่มีแล้วครับพระอาจารย์ถ้าไม่มีคนถามกันหมดแล้วครับพี่สมพรบอกว่าเพศคารวาสสามารถที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ใช่ไหมครับพระโสดาบันต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นพระโสดาบันครับก็เ น, นี่ยแหละเวลาเจอโรคมะเร็งเราสามารถที่จะใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราร่างกายมันจะเจ็บด้วยโรคบะเร็ง ม, มันจะตายด้วยโรคมะเร็งมันก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ต้องไปทุกข์กับมัน ถ้าเราทํานี้ได้แล้วก็เป็นพระโสดาบันได้แล้วเกิดเราจะไม่กลัวความเจ็บความตายของร่างกายเท่านั้นเองแต่เราจะต้องมีเหตุการณ์มาบังคับให้เราต้องมาศึกษาแล้วมาปฏิบัติก็ต้องมีโรคมะเลงและเราให้คุณสมบัติเป็นโรคมาเลก่อน <c oughs> แล้อกาสที่จะเป็นนโสดาบันนี่มันน่าจะมันจะใกล้มากทีเดียวครับ <c oughs> แต่ถ้ายังไม่เป็นโรคนี่มันจะไกลเพราะเราจะไม่ไม่ตั้งใจจะปฏิบัติอย่างจริงจัง ครับอาจารย์ครับแต่อย่างอย่างผมเองผมก็เห็นคนไข้เห็นอะไรผมก็ซ้อมคิดอยู่เรื่อยว่าเออถ้าเราเป็นมะเร็งจะยั ง, ยงไงความรู้สึกมันก็มันความรู้สึกตอนที่ยังไม่เป็นนี้มันยังไม่ไม่กลัวนะครับอาจารย์แต่ที่กลัวมากกว่าก็คือกลัวกลัวคนรักเป็นมากกว่าครับอาจารย์กลัวลูกกลัวอะไรรู้สึกไปติดกับเขามากกว่า <laughs> กลัวพ่อแม่อะไรก <laughs> อะไร <laughs> ยั <laughs> ก็มันก็มันก็เราก็ต้องตัดความกลักวนี้ให้ได้เพราะว่าเป็นเรื่องตัวใครตัวมันับเราช่วยเขาไม่ได้เขาต้องช่วยตัวเขาเองมาถึงเวลานะครับแต่แต่แตพิจารณาพี่ตัวเองแล้วมันก็ความกลัวตรงนี้มันก็มันก็น้อยนะครับอาจารย์ก็ใช่เพราะเรารู้ว่าเราพอจะทําอะไรได้เวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่เราห่วงเขาว่าเรา แปาว่าเขายังไม่เขาไม่มีพูดุ่ดกันาเหมือนเราก็ได้เราก็เลยไปกลัวแทนเขาครับแต่แเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาก็ยังไงก็ต้องแกเ่เจ็บตายอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นยังจะเป็นไม่เป็นโรคอะไรก็ต า, ามในที่สุดเขาก็ต้องแกเ่เจ็บตายาเข้าไปเป็นธรรมดาเราอาจจะไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้มากเท่าที่กวนเต่พิาจารณาเรื่องี่ตัวเรา เราไปพิจารณาเรื่องของคนอื่นพระเจ้าบอกเวลาพิจารณาการต้องพิจารณากายในกับกายนอกกายในก็คือกายของเรากายนอกก็กายของคนอื่นเราพิจารณาว่าเหมือนกันทั้งกายเขาทั้งกายเราที่สุดก็ต้องการเหตุตายเหมือนกั น, ค, นคุณลองทีมบอกว่าไม่รอเป็นโรคมะเร็งแต่ไปสถานที่น่ากลัวแทนได้ไหมครับ อันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นการไปไปกราบไปปราบความกลัตายเพราะว่าเวลาไปเจอความกลัวมันก็จะต้องหาวิธีทําใจให้สงบ ม, มันต้องใช้คำบาลรคำพุโทโธพุโทโธหรือปลงว่าอย่างมากก็แค่ตายถอะไรจะเกิดขึ้นมันก็แค่ตายแล้วร่างใจก็ต้องตายถ้ายอมตายได้มันก็แทนร่วมบาลีมมลได้พอมไม่กลัวตายแล้วต่อไปเวลาเป็นร่วมบาลีมันก็จะเฉยเฉยไม่เป็อนอะไร ขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ใน f a c e b o o ห6 5้อยห้าสิบสาคนใน YouTube 6้อยหกสิหกคนและในคลับ h o าส e 1ิบอ็ดคนนะครับรวมหนึ่งพันสามรัอยี่สิบเก้าคนระอาจารย์ครับก็บขอยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมร่วมฟังผมว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็ น, น้อยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกันเป็นโรคอะไร น, นี้เราจะได้มีภูมิคุ้มกันถ้าเราเอามาศึกษาและเอามาปฏิบัติแต่เดนเดิน พอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราจะได้ไม่ทุกข์มากหรือไม่ทุกข์เลยก็ได้เราหวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นที่ว่าการการสนทนานธรรมสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอินค่ะขอลาขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เป็นเทลงท่านนี้ แล้วถ้าไม่มีอะไรขาดข้อมก็คงจะได้พบกันในอาทิตย์หน้าเช่นเคยอาทิตย์หน้าจะกลับมาหรือยังทิหน้ายังอยู่เวียนนาอยู่น่าอยู่เยเอาให้คุ้มเลยนะเวนนปไม่ทัทีแล้วโอเคก็ขอให้สนุกให้เต็มที่ก่อนที่จะไปนลกประเทศต่อไต่อไปเป็นันเลยจะไปไม่ได้นะนะครับภาษพภาษาพุตุไม่ได้วไม่ได้ช่างแต่มันเป็นเรื่องความจริง มันจะเกิดขึ้นจะต้องเก็บไข้ดได้ป่วยทั้งคืนทั้งวันนะแล้วจะไปไหนมาไหนไม่ได้เป็นพรพระอาจารย์ครับขอบคุณกับพระคุณพระอาจารย์นนะ